ไปประเด็นต่อได้เป็นอย่างนี้อ่าฮะการที่คนมีเสน่์เขาจะได้ยินมีเน่์เขาจะได้ยินค่ะการที่เราเนี่ยกราบไหว้บูชาเทวดาเช่นพ่อพิ่กันเนธอะไรต่างๆถือว่าผิดคำสั่งสอนของพระเจ้าไหมคะ คำว่าพระพิกเนตรู้สึกจะไม่มีในพุทธพาสนะพวกเทวดาเนี่ยผู้เจ้าจะบัญญัติบทใครชื่ออะไรอะไรอะไรนะเพราะฉะนั้นพวกเทวดาต่างๆที่บัญญัติกันมาเนี่ยตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะก็เทวดาเทวโลกธลรมาโลกในผู้เจ้าบัญญัติและระบุชั้นละเอียดหมดนะส่วนการการกราบไหวบูชาเขาเนี่ยอ ผู้เจ้าบอกเป็นพวกมีสำ ม, มานทิฏฐิเบื้องต้นนะผู้เจ้าบอกมนุษย์เป็นอนมิม่าถูกภัยหรือความโกลัวคุกคามแล้วย่อมถือเอาสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างป่าไม้บ้างลูกกระเจดีบ้างเป็นสลาณะนั่นไม่ใช่สลาณะมนเกษตไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเพราะตัวเขาก็แก่เจ็บตายเราก็แก่เจ็บตายเขายังเอาตัวรอดจากความตายไม่ได้แต่การ <c oughs> การบูชาเนี่ยผู้เจ้าพูดเรื่องการบูชาหรือเรียกว่ายัน ยันการบูชาพราะองค์ไม่ได้ตําหนิไปเสียถึกพืชการบูชาใดที่สัตว์ไม่ล้มตายเนี่ยเป็นไปเพื่อสุกติโลกสวรรค์นั้นบางคนเนี่ยบูชาเทพเทวดาอะไรของเขาเนี่ยฆ่าสัตว์มาสงเวรบ้างเอาเลือดมาอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะอันนั้นอ่ะเป็นไปเพื่อนรกแต่ถ้าสัตว์ไม่ล้มตายพระุทธเจ้าบอกเป็นไปเพื่อสุกติโลกสวรรค์เพราะการบูชาเนี่ยมันจะทําให้เกิดปิติเกิดความสุขตัวเขาจะไปสุกติโลกสวรรค์ได้ แต่ยังไม่พ้นอบายยังไม่พ้นจากสังสารวัตรใช่ส่วนอีก ม, ออกมุมหนึ่งถ้าเรามีการแผ่เมตตาผู้เจ้าให้เกี่ยวข้องด้วยการแผ่เมตตาให้และถ้าเราแผ่เมตตาให้กับพรหมกับเทวดาเนี่ยผู้เจ้าบอกจะเกิดการเกือ้อกูลกันระหว่างพรหเทวดากับเราเหมือนบิดามารดาดูแลบุตรอย่างนี้นนก็มีประโยชน์ส่วนหนึ่งนะแต่ต้องใช้การแผ่เมตตาไม่ใช่ ไปไปบูชาอะไราการบูชาการสลระกราบไหว้ผาาู้เจ้าให้ใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้เลิศสุดนักการอาจารย์ค่ะ อ, อยากจะสอบถามว่าตอนที่จิตสุดท้ายที่จะจากโลกนี้ไปก็พยายามที่จะฝึกอยู่โดยใช้อนาปานาสติเข้าไปช่วย ในที่สุดแล้วก็คือดูว่าเอาตัวรู้เข้าไปดูลมหายใจสุดท้ายมันจะสิ้นสุดไปเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นช่า น, นนี้เอามาใช้กับการนอนหลับมมันจะคล้ายๆกันไหมคะว่าสมมติว่าเราคิดว่าเนี่ยแหละเรากําลังจะนอนตายละแล้วเราก็กําหนดลมหายใจเข้าดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเพิอมหลับไปมันจะเหมือนกับอารมณ์ที่จะจากโลกนี้ไปด้วยความรู้สึกว่า เออ่เราละความเพลินเราจะไปนิพพานเนี่ยเบ<า>ื่อมีนิพิธาอะไรอย่างนี้ด้วย<า>จะคล้ายๆกันไหมคะก็ในกรณีนอนหลับก็ไม่ไม่จําเป็นเพราะว่าผู้เจ้าสอนการมีสติในการนอนไว้แล้วว่าให้นอนด้วยการตั้งจิตว่าจิตเราจะไม่ไหลไปกับอกุศลแล้วน้อมจิตไปเพื่อการหลังเราปล่อยให้หลับไปนะเพราะคนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่หลับนะ เดี๋ยวมันมันจะค้างมันจะตื่นตลอดนะแต่เวลา <c oughs> ถ้าเกิดเราจะตายเวลาหลับเนี่ยมันก็จะมีความรู้ตัวอยู่แล้วแล้วเราก็จะปล่อยวางไดนะ้อย่างน้อยเราไม่มีอกุศลเนี่ยแล้วเราเห็นการเกิดดับนะก็จะเป็นอริบุคุณไดนะ้ถ้ามีอินทรีย์บารมีมากก็สามารถหลุดพ้นได้ขนาดนั้นอย่างนี้จะถือว่าทุกๆ ได้จิตตรงนั้นก่อนที่จะตายหมดลมหายใจจริงๆฟลุกๆเข้านิพพานเลยได้ไหมคะก็ได้แต่ไม่ใช่ฟลุกเพราะว่าคนนั้นมีการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าฟลุกได้ฝึกที่ทเรียกว่าฟุกเพราะว่าบางทีมันก็มีจิตนิ่งขนาดนั้นได้บางทีจิตมันก็ไม่ค่อยนิ่งเราก็เลยไม่รู้ว่าถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยจิตจะนิ่งพอหรือปาถ้านิ่งพอเหมือนกับบางบางครั้งที่เราทําได้ก็น่าจะจะเข้าได้แต่ตรงนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นฟุกใช่ไหมคะ ใช่เพราะหนึ่งเรามีการสั่งสมสุตตะได้ยินได้ฟังธรรมอันนี้ก็ถือว่าได้สร้างเหตุปัจจัยมาแล้วเห็นไหมมีการตัดลบความเพียรมีการฝึกฝนเนี่ยพวกเนี้ยชื่อว่าผ่านการได้ยินได้ฟังการประพฤติปฏิบัติมาแล้วคำต่อเกี่ยวกับเรื่องอนาปานสติอะค่ะอนาปานสติป ก, ป, กปกติแล้วเราไม่ต้องคิดอะไรคืออยากจะให้จิตสังขารรำงับไปตามที่พุทธวจนะ อสอนไว้แต่รู้สึกว่าถ้าเราไม่บังคับมันนะคะก็คือให้มันไปเรื่อยๆแล้วเราก็ดูมันก็จะออกไปเรื่อยะะ<ช>แต่เราก็จะดึงกลับแล้วก็พยายามดึงกลับมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ ะ, ะคือออกไปก็ดึงกลับแต่ว่าถ้าจะเอาให้อยู่จริงๆก็ทําได้แต่ต้องบังคับมันก็ต้องบังคับเพราะพระเสขะต้องคลั่งทิ้งต้องไม่ถือเอาต้องทําให้กระจายไม่ทําให้เป็นกองนั้นพวกนี้ต้องใช้ความเพียรหมดนะ่ะ ต้องบังคับให้ อ, อยู่กับลมหายใจมันถึงจะอยู่ไม่อย่างนั้นก็ไม่อยู่คหมันใช่เพราะพระผู้เจ้าก็พูดแค่ว่าอย่าลืมลมหายใจเวลาโยมลืมเนี่ยแล้วโยมกลับมาโยมต้องบังคับไหมแต่ท่านนี้จะพูดว่าบางับางคับเนี่ยก็ไม่ได้อยากใช้คํานั้นเพราะเดี๋ยวจะเป็นการบีบนกแรงไปเพราะผู้เจ้าบอกว่าเปรียบจับนกไดมือบีบแปลงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือก็ต้องจับพอดีพอดี ครูย่าจึงพูดมุมแค่ว่าอย่าลืมลมนะพอโยมลืมแล้วยมต้องเอากลับมาจะเอากลับมายังไงก็ตามคือเอากลับมาอย่างเนี้ยแล้วธรรมวิจยญาเนี่ทําตอนไหนอะคะ่ถะถ้าตอนทําอานาปานสติเนี่ยก็เหมือนกับเอาจิตไปไปปรุงแต่งเพื่อที่จะคิดเกี่ยวกับเรื่องของพระธรรมขับสั่งสอนเหมือนกันใช่ไหมคะไม่ต้องคิดดีกว่าใช่ไหมคะใช่ธรรมวิจยญาจะทําตอนไหนอะคะถ้าในจุดที่ละเอียดถ้าเราเห็นแล้วว่า แม้แต่ความคิดก็เป็นการปรุงแต่งก็คือเฝ้าดูเฉยๆใค่ควรในจุดที่เราอยู่ตรงเนี้ยนิ่งๆตรงเนี้ยนะว่ามันดับไปเมื่อไหร่เกิดเมื่อไหร่ดับเมื่อไหร่แค่นั้นน่ะก็ธรรมาวิจยะแล้วเป็นตัวละเอียดเพราะเราเห็นแล้วนี่ความคิดไม่ใช่เราก็จะจับผู้รู้ลมหายใจตัวเดียวจับผู้รู้ตัวเดียวก็คืออยู่กับลมหายใจแล้วก็การออ ก, กไปและการข<อ>เข้ามาเกิดดั บ, ดบ ของผู้รู้แค่นั้นเองคำถามคําถามสุดท้ายอะคะตอนนี้ก็เริ่มจะหมดหนังสืออ่านแหละอ่านไปก็เยอะแล้วก็คิดว่าเอามาอ่านซ้ําๆแต่แต่ท่านพระอาจารย์ยังทําเพิ่มขึ้นมาไหมคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งหมดมีสิบสองเล่มตอนนี้สิบเล่มแล้วเล่มเนต่อไปก็จะทําเกี่ยวกับปภูมิว่ามีเท่าไหร่ทั้งหมดที่ผู้เจ้าตรัสไว้ เป็นพุทธวจนะเพราะพบภูมิที่ก็ทำกันอยู่เนี่ยมันยังไม่ตรงแล้วก็จะทำหนังสือที่เป็นศีลของพระทั้งหมด2400รอกว่าข้อพระจะได้ทราบว่าศีลตัวเองเนี่ยมีเยอะนะไม่ใช่มี200ร้อกว่าข้อนะใช่มีเป็น<ม>พั น, น 1000, พันข้อแล้วก็จะทำเรื่องอภิธรรมที่ถูกต้องเนี่ยคืออะไรคือตัวโพธิปัจิะธรรมส7ิบเจดนะั น, นั้นถ้าจะศึกษาอภิธรรมก็คือมาศึกษา อ่สติปทานสสัมมรปทาน4ี ท, ที่บาทสี่อินรียห้าพระห้าโภชงเจอริยมาร์ตยี่แปที่พระเจ้าตัดไว้ไม่ใช่ไปศึกษาคำที่คนแต่งใหม่อย่างี้ก็จะทำไล่ๆ่ไปอย่างนี้ก็มีเพื่อนเพื่อนที่อยากจะชวนเข้ามาที่นี่เขาก็บอกว่าเขาไปวัด น, นั้นวัด น, นี้อยู่แล้วเขาคุยกับพระอาจารย์นั้นอยู่แล้วซึ่งเขามาคุยให้ฟังก็ไม่ค่อยตรงกับทางพุทธวจนะใช่ทีเดียว <g ül> ก็ไม่ตรงเลยก็มีไปออกนอกลูก่นอกทางเลยก็มี <c oughs> ก็เลยสงสัยอยู่ในใจว่ า, าบางบางบางวาดัดบางที่ก็ต่อต้นอาน เ, เรื่องของสีปฏิโมกร้อยห้าิข้อค่อนข้างรุนแรงใช้คำพูดจารุนแรงมากาลักษณะยอย่างนั้นนี่จะเข้าข่ายทำสงให้แต่แยกไหมคะหรือว่าพระที่สอนไปผิดทางไกลออกไปจากสิ่งที่พุทธวจนะว่าไว้เนี่ยออกไปไกลมากแล้วก็แถมยังอ้างว่าเป็นคา ศาสดาด้วยอย่างเงี้ยทาให้คนเนี่ยไปผิดทางาคิดว่าไปผิดทางแน่นอนเพราะว่าชวนเขากลับมาเขาก็ไม่มาคือเหมือนแบบคนว่าพอมาตรงนี้แล้วเขาก็ไม่อยากไปตรงไหนอีกแล้วอย่างเงี้ย จ, จะผิดบาปมากไหมคะสำหรับคนที่<น>ไม่ใช้พุทธวจานะสอนจริงๆแล้วสอนออกทางไปอื่นอย่างเงี้ยค่ะคนกลุ่มนี้ผู้เจ้าจะจัดหนึ่งเขาจะเป็นบริษัทที่ไม่เลอที่เรียกว่าปฏิ อ, อุกาจิตวินิตาปริษาทโนปฏิปุจฉาวินิตา อย่างที่สองผู้เจ้าจะเรียกว่าเขากำลังเรียกร้องหาศาสดาโดยความเป็นศัตรูเพราะเขากาลังเป็นศัตรูกับศาสดาคําสอนเขาพูดว่าศาสดาแต่คำเขาชนกับศาสดาถูกต้องไหมโดยที่เขาไม่รู้เพราะเขาไม่ศึกษาคําศาสดาอย่างนี้ขนาดเอาคําศาสดาไปยื่นหรอไม่เอาแปลกนะอ่าใช่ไหมแค่วางคําสาวกไปก่อนขอแค่สักปีหนึ่งมานั่งอ่านคําศาสดาตัวเองอย่างนี้แค่นั้นอ่ะตัวเองจะเข้าใจหมดเลย อ่าแล้วเขาก็จะเป็นเหตุให้าศาสนาเสื่อมเพราะไปบัญญัติเพิ่มและเพิ่มถอนซึ่งพระเจ้ายัางสั่งภิกษุห้ามเลยนะการะวาดยิ่งไม่ได้เลยเพราะตัวภิกษุสาวกของท่านเองท่านก็ห้ามแล้วนี่พระเจออีกหลายพระสูตรมากเลยที่กล่าวกับนิคนนาตบุตรนะว่าการไปฟังคำสาวกนั้นเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้เราจะเจอพระสูตรขึ้นใหม่มากมา ก, มากที่ตอกย้าตอกย้าว่าฟังคาคนอื่นไม่ได้นะอ่า เ ด, เดี๋ยวจะเอามาให้ดูเป็นปึกเลยที่ผู้เจ้าบรรยายนี้มากเลยว่าเนี่ยถ้าไปฟังคําสาวกเราจะเสียยังไงเยอะมากนะพระอาจารย์คะเคยปฏิบัติธรรมมาก็นานพอสมควรนะคะก็แต่ไม่ทราบว่าการปฏิบัติธรรมของในในปัจจุบันนี้เนี่ยแต่ละสำนักแต่ละวัดเนี่ยนะคะก็จะมีวิธีการปฏิบัติธรรมที่แตกต่างเช่น การกำหนดลมหายใจโดยที่กำหนดที่ท้องบ้างตรงไหนบ้างที่หน้าผากที่จมูกแล้วก็มีการพูดออกไปว่ายุบหนอพองหนอหรือพุดโทเนี่ยตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการปฏิบัติไม่ไม่ใช่เป็นอนาปนสติใช่ไหมคะเราก็ต้องไปดูเนี่ยอันนี้เราก็ทามาให้แล้วนะอย่างถ้าโยงมไปดูในหนังสือเล่มนี้ อานาปานสติที่รวมไม่ให้นี่คือศาสนาบัญญัติเรื่องอานาปานสติทั้งชีวิตรวมให้หมดแล้ว32มข้อสูตรถ้ายอมไปดูยมจะเห็นว่าไม่เคยมีคําบริกรรมร่วมกับอานาปานะแล้วก็ยมคีย์คาว่ายุบคลองเข้าไปได้จะไม่เจอที่ศาสดาพูดแม้สักครั้งเดียวในชีวิตนั้นตอนนี้เราตรวจข้อมูลง่ายๆ <c oughs> เรามีคอมพิวเตอร์แล้ว iPhone iPod iPad ดยมคีย์เข้าไปสแกนหา โยมขียุบ พ, พองขีคำอะไรก็ตามที่โยมสงสัยเข้าไปโยมก็จะไม่เจอนั่นแสดงว่าศาสดาไม่เคยพูดเลยทั้งชีวิตเราก็พักไว้ก่อนใช่ไหมเราจะมาเดินตรงตามศาสดาถ้าเขาเจอพระสูตรขออาตมาดูหน่อยสักพระสูตรหนึ่งขอที่เป็นพุทธวจนานะอย่าเป็นอัตกถาเพราะอัตกระถาเนี่ยไปแต่งเองซะเยอะนะอย่างนี้ถ้าคาราวาทําแบบนี้ก็จะผิดตอต่อพระธรรมวินัย ก็ออของพระศาสดาใช่มันจะเป็นอย่างนี้โยมมันจะไปเข้าข่ายกัลยาณวัตร <c oughs> ที่บัญญัติขึ้นใหม่ซึ่งศาสดาเตือนว่าความขาดศูนย์แห่งกัลยาณวัตรนี้มีในยุคแห่งบุตรใดบุตรนั้นชื่อว่าบุตรคนสุดท้ายแห่งบุตรทั้งหลาย <c oughs> บอกอานนท์เกี่ยวกับกัลยาณวัตรนั้น <c oughs> เราขอกล่าวย้ำกับเธอโดยประการที่เธอทั้งหลายจะพาการประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไว้ตถาโพตั้งนั้ไม่ใช่คนอื่นตั้ง เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุคคพวกสุดท้ายของเราเลยมันจริงๆมันชัดเจนคําพุทธเจ้าเนี่ยตรงไปตรงมานะมันมันไม่ต้องแปลอะไรมากมายก็กราบขอขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าขณะที่ตอนเนี้เราเราเดินทางอาจจะว่าด้วยความตั้งใจที่ว่าจะปฏิบัติธรรมที่จะทําสมาธิเนี่ยแต่เรากลับว่าเราต้องไปอาจจะไม่รู้ว่าตรงนี้เนี่ยถูกต้องหรือไม่เนี่ย ที่วัดของที่นี่นะคะมีการสอนให้ถูกต้องไหมคะก็สอนคําศัสท์ดาทั้งหมดที่พระอาจารย์ทีละวัดมีการที่จะเข้ามาฝึกปฏิบัติให้ถูกต้องเนี่ยจะเข้ามาได้ไหมคะที่นี่ก็ได้ก็มีมาตลอดแหละเพราะว่าเราอยากจะทําให้ถูกต้องเพราะว่าการเริ่มต้นบางทีเนี่ยอ่านไปเนี่ยก็ยังไม่เท่ากับการที่ได้ฝึกได้ได้ฝึกกับพระอาจารย์โดยตรงว่าทำยังไงที่จะ ฝึกให้ถูกต้องอะฮะยังลมหายใจก็ไม่มีครูเจ้าไม่เคยบอกว่าที่จมูกที่ปาก<ช>นะที่ท้องหน้าอกนะพุงสะดืออะไรอย่างนี้ไม่มีนะนั้นเราก็ทำตรงตามศา ส, ะสะดาศา ส, ะสะดาบอกว่าหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้ก็ทแาแค่นี้ก็แค่นี้ท่านไม่เติมอะไรถ้าอย่าไปเติมแค่นั้นนะ่ะจริงๆเดินตามพระพุทธเจ้าเนี่ยมันง่ายสุดอา ถือเป็นบุญที่ได้ uh huh. เข้ามาตรงนี้แล้วก็ uh huh. ได้เรียนรู้ว่าพราะผู้เจ้าเนี่ยได้ตัดอะไรบ้างเพราะว่าจร uh ิง huh. ๆแล้วเนี่ยในชีวิตของค า, ารวะพุทธศาสนกชนเยอะมากที่ไม่เคยได้มาศึกษาจาก uh huh. พุทธวจนะ uh huh. แต่ก็คงจะเป็นบอกว่าผิดหรือไม่เนี่ย uh huh. ก็คงจะไม่ได้คิดว่าพุทธศาสนกชนผิด uh huh. เพราะว่าพระสงค์ก็คือตัว <Right. S 2> แทน ถ่ายทอดพระพุทธเจ้าเนี่ยจะตําหนิพระผู้เจ้าไม่ตําหนิคาราวาสผู้เจ้าจะตําหนิพระว่าไม่ศึกษาคําพระองค์เพราะพระองค์บอกแล้วว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจะมีพิสุไม่สนใจคําตถาคตเนี่เป็นเพราะอย่างนี้เมื่อพระไม่สอนโยมก็ไม่รู้เพราะนั้นไม่ใช่เป็นความผิดของโยมแต่เป็นหน้าที่ที่โยมจะต้องขวนขวาย ห, หาสิ่งที่ถูกต้องนั้นไม่มีใครบังคับใครได้ แกเจ็บตายยอมแกเจ็บตายเองไปนิพพานไปสวรรค์ยอมก็ไปเองถ้าโยมอยากได้ข้อมูลผิดก็ไม่รู้จะว่านยังไงใช่ไหมเราก็พยายามเอาข้อมูลที่ถูกต้องอ่าเนี่ยตรงๆจากพกระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ผิดเพี้ยนเอามาให้แล้วก็เลือกกันเองใครอยากไปศึกษาคําสาวกก็เอาก็เรื่องของเขาใครอยากตรงกับพระเจ้าเป็นลูกศิษย์พระเจ้าโดยตรงก็มายิงตรงกับพระเจ้าไม่ต้องมายิงตรงกับอาจารย์คริกริศไม่มีเพราะไม่มีคําสอนอาตมา อาตมาไม่เคยทําตําราที่ป่าพันธ์เองไม่มี <Okay. S 2> อย่างเนี้ยตรงนี้เป็นความหวังว่า <c oughs> ในในปัจจุบันนี้นะคะาาถ้าถ้าพูดกันตรงๆเลยว่าคำสังสอนของพระศาตตดาโดยตรงเนี่ยาาจากวัดหรือว่าจากพระพระสงฆ์เนี่ยก็จะมีน้อยอาาในการที่จะเผ ย, ยแพร่าาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คงจะต้องมาช่วยกันแลนะตรงนี้ว่าจะทํายังไงให้ลูกหลานของเราเนี่ย ได้ดิวตรงได้ได้ศึกษาม่าทำจริงๆ ก, ก็ที่ได้เรียนถามว่าพระไตรปิฎก ข, ของพระอของพระพุทธวจนะที่ส3สามเล่มนี้เนี่ยก็เป็นความหวังเหมือนกันว่าจะได้เอาไปเผยแพร่ตอนตอนนี้เอาเล่มเล็กไปก่อนเล่มเล็กก็ได้ซื้อไปแล้วคะ่ะเอาไปอ่า น, น, านาแล้วคำพูะเจ้าเนี่ยอ่านซ้ำๆได้เยอะอ่านซ้าๆได้จะได้ละเอียดมากขึ้น ตอบย้ําอย่างเดิมไปเรื่อยๆอย่างน้อยเราจะคล่องแคล่วในเรื่องอนาปาร์แล้วถ้าเราทรงจําได้คล่องปากขึ้นใจตอนนี้เรามีแค่นี้เราพยายามทรงจําให้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างนี้ด้วยความเห็นซึ่งพระเจ้าบอกเลยถ้ามีสติหลงลืมทําการละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วยมจะไปบรรลุธรรมในภพของเทวดามีนิสสงหมด ที่ฉันทำเรื่องปฏิบัติธรรมของออหน่วยงานนะค ะ, ะมาร่วมจะสิปีแล้วก็ได้เอาไปปฏิบัติธรรมต่ที่ต่างๆพอได้มานจุดนี้ก็รู้สึกเสียใจพอสมควรว่าไม่ทราบว่าเป็นบาปออหรือไม่ที่เอาอข้าราชการเอาบุคลากรไปปฏิบัติธรรมแต่ไม่ได้ดีตรงในในบางสัก ในบางในบางวัดที่ไม่ได้ทําตมาเร า, าเราเราไม่รู้ก็เหมือนกันเพราะแต่ก่อนอาตมาก็ไม่รู้อาตมาก็อยู่กับคําสาวกมากับ30ปีใช่ไหมตั้งแต่ปี22องอะอย่เราก็ศึกษาไปคําสาวกเราก็เก็บได้บ้างนะถูกบ้างผิดบ้างนะได้บางคําบางทีเราก็ยังใช้คําเก่าอยู่ก็มีก็พยายามค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เพราะเรามันไม่ใช่ความผิดเราที่เกิดมาในยุคที่คำสาวกครองครองเมืองไปหมดมใช่หหาคำผู้เจ้าไม่ได้ก็เป็นธรรมดาที่คนเนี่ยจะรู้ข้อมูลผิดมาก่อนถูกบ้างผิดบ้างคือถูกน้อยกว่าผิดะน ะ, ะแต่ก็ยังสามารถที่จ ะ, ก ล, ะกลับมาตรงนี้ได้ก็ถือว่าโชคดีแหละเพียงแต่เราตอนนี้ก็ค่อยๆข ย, ย, ย า, ายคำศาสดาของเราเองเนี่ยนะออกไปออกไปเรื่อยๆ คืออีกมุมหนึ่งที่ที่อาตมาเห็นก็คือเมื่อเมื่อพระไม่ได้ศึกษาคำศาสดาล้วนๆเนี่ยจิงไม่จึงไม่สามารถแจกแจงเชื่อมโยงอธิบายคำศาสดาตัวเองได้ก็เลยไม่มีความมั่นใจในการเอาคำศาสดาออกมาเปิดเผยอย่างนี้อ่าใช่ไหมเพราะเวลาโยมถามตอบไม่ได้ไม่รู้จะยังไงเพราะคำศาสดาก็ลึกซึ้งพอสมควรนะแต่ถ้ามีใครที่ ศึกษาแต่คำศาสดาคล่องแคล่วในคาําศาสนารู้แล้วท่านพูดอย่างนี้ว่าอะไรท่านพูดตรงนี้เพราะอะไรอะไรอย่างนี้เชื่อมโยงอธิบายยมตอ บ, ย ม, ตอบยมได้หมดปั๊บเนี่ยก็จะกล้าเอาคำพุทธเจ้ามาเปิดเผยเพราะมาจะตอบถามมุมไหนฉันตอบได้หมดนะอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าพระทําอย่างนี้ เ, นนยนเยอะๆพระก็จะกล้าพูดพุทธวจนะอ่าอย่างนี้นน อ, อ่าฮะอืม เดินอ้อมใช่เดินอ้อมเดินอ้อมไปเดินอ้อมไปอ้อมมาเนาะต้องเดินใช่ใช่เพราะเวลาในชีวิตของทุกคนก็น้อยลงไปเรื่อยๆรื่อนะน้อยลงน้อยลงที่มีพุทธวัจนะบทหนึ่งเปรียบเทียบไว้ว่าการจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ความเป็นมนุษย์แล้วก็พระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้ว แล้วก็ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ได้แพร่กระจายแล้วเผยแพร่แล้ ว, แ, แ, ลวแล้วเราได้มาเกิดเนี่ย อ, อยู่ในตรงจุดนี้ถือว่ายากมากถ้าพูดให้ใครฟังก็จะบอกจริงเหรอก็เห็นมนุษย์ก็เยอะนี่นะ อ, อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็บอกว่าเนี่ยลองไปเทียบดูกับแมาลางสิ แมลงมีตั้งกี่ตัวในโลกนี้แล้วโลกนี้เท่านั้นเหรอมันก็ต้องมีโลกอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมหาศาลแล้วอย่างในน้ําอย่างเงี้ยก็ปลาก็ตั้งกี่ตัวสัตว์น้ําก็ตั้งกี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นเนี่ยเราก็เปรียบเหมือนว่าเขาก็เป็นชีวิตชีวิตหนึ่งที่เหมือนมนุษย์เราคนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันก็ว่าอือย่างนั้นคนที่ได้เอพวกที่ได้ไปเป็นเดรฉานอย่างเงี้ยอืก็ต้องเยอะเลยชค่ะแต่นี้ก็มีความคิดมีคนถามว่าเออ สัตว์เดรัจฉานนะคะออื uh huh. เขาก็ต้องดํารงชีวิตของเขาด้วยการฆ่าออื uh huh. uh huh. ไม่งั้นเขาก็ถูกฆ่าก็เท่ากับเขาทํากรรมด้วยหรือเปล่าคะเพราะถ้าเกิดว่าทํากรรมลักษณะ น, นั้นเขาก็ต้องกินกินสัตว์อื่นมาตั้งกี่ตัวจนกว่าเขาจะตายหรือถูกฆ่าไปแล้วเขาจะมีโอกาสได้มาผุดมาเกิดเป็นมนุษย์หรือหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมไม่งั้นก็คงจะ มันไม่มีทางที่จะทําบุญได้เลยถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานาพูดถึงทีเป็นเสืออยู่ในป่าหรือว่าเป็นหมาป่าอยู่ในป่ า, อ, าอยังยัางวัวที่ขิดพระพาหิยะซึ่งอา่าพระพาหิยะเป็นพระอราหารันต์พระอหันตก็ยาวเลยแล้วไปขิดท่านเข้าไม่ตกนรกเอเวจีวใช่ก็ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดใช่ อ, อ, อีกยาวเลยควายตัวนั้นก็ทําด้วยความไม่รู้ว่าเป็นพระอราหารันต์ใช่อย่างนี้ สัตย์ประชานไม่มีทางได้มาเกิดเป็นมนุษย์เลยใช่ไห้ยได้แต่นานเพราะความที่ไม่รู้อย่างเนี้ยมันก็เลยเป็นเหตุให้นานไงความนานเนี่ยก็คือประมาณน้ําท่วมโลกและเต่าตาบอด่ะอุปมาเดียวกันเลยสัตว์จำพวกวินิบารเนี่ยจะเปลี่ยนอัตภาพมาเป็นมนุษย์เนี่ยผู้เจ้าอุปมาเดียวกันน้ําท่วมโลกใบนี้ทั้งใบเหมือนกันมันนานนะ่ะเนี่ยแหละเป็นการจองจําใช่ผู้เจ้าจึงบอกว่าถ้าตกกว่ามนุษย์ลงไปแล้วเนี่ย อ่ามันเป็นการจองจําที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายนะอ่าไม่มีการจองจําอื่นใดที่ทารุณอย่างนี้จะไม่รู้จักจบจาสิ้นเลยนะยาวนานอ่าฮะใช่ใช่นั้นเนี่ยเพราะมันไปได้แต่ภาพบาปทเยอะเพราะมันไปเกิดเป็นอัพภาพอย่างนั้นไม่รู้ก็บาปก็มันรับกรรมของมันไงพระเจ้ารู้หมดอ่ะอาการจิตสัตว์เป็นยังไงท่านยังบรรยายออกมาเลยว่าสัตว์พวกเนี้ยมันมีแต่การต้องการเคี้ยวกินกัน อ่าเพราะฉะนั้นโอกาสที่จิตมันจะเป็นกุศลมันน้อยมากนนอ่ า, า, าใช่ใช่แล้วถ้าเราปล่อยโอกาสตรงเนี้ยให้หลุดไปใช่ไหมอ่ามันก็จะเสียโอกาสมากมแล้วแล้วสัตว์ที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งมนุษย์ที่ตายแล้วแล้วจะได้มาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยน้อยน้อยเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บที่ผู้เจ้าเขี่ยเศษดินโดยเทียบกับมหาปฏิปี มนุษย์ที่ตายแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์ยากใช่กลับมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยยากก็พระองค์จะเปรียบเหมือนอย่างนี้เปรียบเหมือนการซัดไม้ขึ้นไปในอากาศบางคราวก็เอาโคนลงบางคราวก็เอาปลายลงบางคราวก็เอาท่ามกลางลงตามกสดาบันเนี่ยไม่มีความแน่นอนคติที่ไปไม่แน่นอนอถ้าเรายังไม่ได้โสดาบันแล้วชิงตายไปซะก่อน แล้วเราก็จะได้กลับมาดีอย่างนี้ไปไม่แน่เสมอไปจะได้กลับมาฟังพระพุทธวจนะก็ไม่แน่เสมอไปหรอใช่อาจจะยิงยาวเดรัฉานยาวอีกทีไปเกิดเป็นวิถีอ่ะศาสนาก็ไม่มีแล้วเกิดไปอยู่ช่วงอ่ะช่วงตอนนี้มนุษย์ร้อยปีใช่ไหมจะลงไปเหลือสิปีแล้วตีขึ้นไปแปดหมื่นโยมตายจากนี้ไปปุ๊บหลุดไปเป็นเดรัฉานก็ยิงยาวเลย เกิดไปอยู่ช่วงมนุษย์อายุเท่าไหรอ่อะ 2,000 ปีก็ยังไม่เจอศาสนาอีกต้องรอไปถึง 80,000 ปีออก็เกิดตายเกิดตายกันไปรูปไปอยู่ที่ไหนกันบ้างอ่ะใช่ท่านถึงได้ในพระสูตรท่านได้เปรียบเทียบว่าถ้าไฟไหม้ศีรษะไฟไหม้เสื้อผ้าให้รีบทำก่อนไม่ใช่ดับไฟแต่เป็นการไ่รู้ทุกทุกอนิยมศัก<ๆ><ๆ>์ีใช่ใช่ วันนั้นถ้าเรายังมัวเลือกอยู่เอ๊ะคำสามุกดีหรือคำสถาคตดีตัดสินใจไปเลยว่าร้อเปอร์ซ็กับพระเจ้าใช่ไหมจบม้วนเดียวอืมอาจารย์ครับต่อเนื่องกันอย่างนี้นะฮะเมื่อกี้เราบอกว่าการเกิดเป็นยากตามที่ว่าแล้วเต่าตาบอดอะไรเนี่ยนะฮะอันี้ถ้าเกิดว่าเราพลาดทั้งตกนรกไปเนี่ยนะจะกลับมาเป็นจะขึ้นมาเป็นมนุษย์ครั้งเนี่ยใช้อันเดียวกันหรือเปล่าว่าเต่าตาบอดเหมือนกันไหมครับในพุทธวจนะกําหนดไว้อันเดียวกันใช่ไหม ครับขอบคุณครับแล้วอีกอันหนึ่งที่ผมเคยฟังฉาดกหรืออ่านฉาดกเกี่ยวก็ว่าสัตว์เนี่ยก็สามารถทําบุญได้เช่นเป็นพญากระต่ายเนี่ยมันมีในพุทธศาสนาหรือเปล่าอันนี้เราก็จาเอาแต่งโดยพญากระต่ายที่เป็นโพธิสัตว์บําเพ็ญบุญแล้วก็อฮแล้วก็ <c oughs> สําเร็จมาได้เนี่ยฮะก็ตอแรกเป็นเป็นเป็นสัตว์อยู่นก็แสดงว่าสัตว์นี้ก็สามารถทําบุญได้นใ่ใช่ไหมฮะเพราะพระุทธเจ้าเคยเป็นอย่างสรีหะเนี่ยราชศรีอย่างเนี้ย นั้นสัตว์อื่นก็น่าจะใช่ด้วยนะเห็นมีเรื่องพยากระต่ายอยู่ใช่ครับอันนี้มันก็มีโอกาสมันน้อยไงมันเป็นได้แต่โอกาสน้อยอย่างเช่นเราเคยเห็นไหมว่าหมาเนี่ยมันให้แมวกินนมร่วมด้วยกับลูกมันี้มันไม่กัดอะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยมันมีเมตตาของมันมีความเป็นกุศลไงหรือว่ามันฆ่าอาหารมาให้ลูกอย่างเงี้ยนะมันก็มีจิตเมตตานะอะไรอย่างเงี้ยอ่า อ่าน้อยมันน้อยอ่าโอกาสแล้วก็โอกาสจังหวะเพราะช่วงมันตายเนี่ยเราเปลี่ยนภพภูมิเนี่ยมันจะเลี้ยงอารมณ์นั้นได้หรือเปล่าครับนีขอบคุณครับที่เป็นเรื่องของการความอยกรู้นะคะอ่าจิตจิตของพระอรหันต์หรือผู้เจ้าเนี่นะคะจิตมนุษย์นี่ดับเมื่อนิพพานไหมคะจิตมนุษย์นี้ดับเมื่อนิพพานจิตมนุษย์ดับตลอดเวลาในโยมดับห ม, มายความว่าสูญสลาย ไม่มีจิตอยู่เลยใช่จิตแต่ละดวงเนี่ยศูนย์ตลอดนะคือเกิดมาปุ๊บดับหายไปละดวงใหม่เกิดปั๊บหายเหมือนฟองน้าไม่ใช่จิตไม่ใช่จิตจิตเดิมไม่ใช่จิตเดิมไม่ใช่จิตของเราใช่ใช่แ ต, แต่วแ ต, แต่ความเป็นของเราเนี่ยไม่ได้เรียกว่าจิตเป็นอย่าลืมที่บอกนิยามเรียกชื่อต้องเรียกอย่างพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าเรียกว่าผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผู <c oughs> มันมีสภาวะธรรมอันหนึ่งเนี่ย ที่เป็นของเราเนี่ยซึ่งมีความไม่รู้เนี่ยเป็นเครื่องกั้นไว้มีตัณหาเป็นเครื่องผูกตัวนี้เรียกจิตก็ไม่ได้เพราะตัวนี้เป็นคนเข้ามาหลงจิตหลงจิตมนโนวิญ ญ, ญาณจิตมโนวิญญาณสามชื่อตัวเดียวกันคือผู้รู้แจ้งในวลมสีาธาตุนี้ไอ้ผู้หลงเนี่ยเป็นคนเข้ามายึดวิ ญ, ญญาณขันหรือยึดจิตว่าเป็นตัวมันแล้วก็หลงกับหลงอยู่ในสังสารวัฏหลงในสีขันด้วยหลงตัววิญญาณด้วยนะแต่ตัวที่ท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้เรียกว่าจิต ไม่ได้เรียกว่าวิญญาณนะมันคือผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตันหาเป็นเครื่องผูกเมื่อหมดอวิชชาแล้วผู้นี้จะเรียกว่าวิมุตติยันทัศนะเป็นผู้รู้ในวิมุตติซึ่งจะตั้งอาศัยในวิมุตติมันก็คือสภาวะของเรานี่แหละจริงๆสภาวะเดิมของเราก็คือวิมุตตินั่นแหละแต่เรียกวิมุตติไม่ได้เพราะมันยังมีอวิชชาจึงเรียกว่าผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นนั้นตัวเนี้ยไม่ได้เปลี่ยนไปไหน ยังอยู่พู้เจ้าผูเจ้าจึงบอกว่าเราและเธอเนี่ยต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรพ่อไหลตลอดการยาวนานเพราะไม่รู้อริยสัตว์มันมีคนท่องเที่ยวไปนะแต่มันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนมันเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งมีความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นเอาไว้พอรู้แล้วเพราะปฏิบัติตามมรรคแปดแล้วก็ทำวิชาให้เกิดขึ้นอวิชาหายไปก็จะเรียกว่าบิมุติอันทศนะอย่างนี้ ก็ยังพระเจ้าก็ยังคงอยู่ก็ยังคงอยู่จะพูดอย่างนั้นก็ก็ก็ไม่ไม่ใช่เพราะในนั้นเนี่ยไม่มีบัญญัติบัญญัติอะไรไม่ได้กับวีมุติเพราะเกิดไม่ปรากฏสิ่งที่จะบัญญัติได้อ่าก็คือขันห้าเพราะขันห้ามีการเกิดปรากฏธรรมชาติที่ไม่มีการเกิดปรากฏจึงบัญญัติไม่ได้อย่างนี้อ่า ะะสิ้นอาสวะกับหลงทมกาละหรอสิ้นอาสวะสิ้นอาสวะ ก, าาวะก็มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนบริบูรณ์แล้วทำให้อาสวะสิ้นไปหรือหมดอุปท า, านความยึดมั่นในขันธ์ห้าแต่หลงทมการลคือผู้ที่ยังมีอวิชชาอยู่ยังมีอุปท า, านอยู่ แล้วตายลงไปนะขาดสติตายตายและขาดสติคือสติเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่กับกายเคลินอยู่ในอารมณ์โดยปกติก็จะไปอบายต่ำกว่ามนุษย์แต่จะเว้นแต่คนที่มี ท, ที่ทรงจําคําตถาคตได้คล่องปากขึ้นใจก็จะไปเกิดเป็นเทวดาเหตุเพราะว่าการการที่จิตหลุดจากกายปั๊บเนี่ยมันจะไปเกาะอะไรต่อเนี่ยมันจะไปเกาะตามอนุสัยคือความเคยชิน นั้นถ้าเราเสพคบในธรรมพระศาสดามากถึงแม้เราจะขาดสติหลงลืมมันก็จะเหวี่ยงไปเกาะในสิ่งที่เราคุ้นเคยคือคําพระศาสดาอ<ม>ย่างนี้ผู้เจ้าก็บอกก็จะได้ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วพอไปอยู่ในภพของเทวดาเนี่ยหนึ่งจะระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองหรือไปได้ยินภิกษุที่มีฤทธิ์ขึ้นขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทธหรือได้ยินเทพบริษัทธแสดงธรรมได้กันเองหรือเทพบริษัทธผู้เกิดก่อนมาบอกธรรมะ สีกรณีตัวเองก็จะบรรลุธรรมได้ทันทีอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดเรายังไม่มั่นใจว่าจะเป็นว่าเป็นสนละบาลสี่กรณีถ้าเกิดเราขออิสรหรือว่าจำธรรมชาติคือเราซื้อเวลานิดหน่อยขึ้นไปอยู่สวรรค์ก่อนอย่างเงี้ยคือเป็นลักษณะว่าถ้าเกิดว่าไปรรลุมันไม่แน่นอนเดี๋ยวไปเป็นสเดลฉาหรือเป็นสันนก อถ้ากเกิดว่าอย่างนั้นสแสดงว่าผู้เจ้าพูดถึงการที่แบบไปเป็นเทวดาเนี่ยสแสดงว่าเป็นเทวดาเนี่ยมนุษย์เนีมีสิทธิ์เป็นได้ได้มากเหมือนกันคุณบอกใช่ก็เป็นได้ถ้ามีเหตุปัจจัยอย่างนี้นั้นเราจะซื้อซื้อเวลาได้การาทรงจําคําศตย์ดาแล้วก็คล้องปากขึ้นใจก็ก็อย่างน้อยก็ยังพอดได้ใช่อหม ใช่ใช่ใช่ทำก่อนแล้ะหลังจากทําการละไม่ก่อนไม่หลังจากทําการละเออคือจะทอคําศาสัญยังไงก็เป็นดีอยู่แต่ว่าไม่ิืมลมดีที่สุดใช่ใช่ก็คือต้องต้องหวังหลุดพ้นอ่ะแล้วมันจะหล่นมาแค่ไหนก็แค่นั้นเพราะว่าอย่างบางคน ที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะอย่างมีคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะเขาจะเอเขาจะไหว้เทวดาอะไรอย่างเงี้ยคือลักษณะว่าเป็นผู้มีสมาทิฏฐิเบื้องต้นอะฮะอะใช่แล้วก็ชอบสวดมนต์ก็พยายามเอาหนังสือสวดมนต์ที่เป็นคํำสาสดาวไปให้ก็คืออาจจะเป็นกรณีนี้หรือเปล่ากรณีซื้อเวลาอะอะอะสำหรับคนที่ณวันนี้ยังได้แค่นี้อยู่อาจจะก็ค่อยๆเด็กจบไปอนละก็แล้วนอะอะ ใครก็หาวิธีการซื้อเวลาเนี่ยนะคะอย่างเราช่วยชีวิตสัตว์เช่นปล่อยปลาปล่อยอะไรเนี่ยจะซื้อเวลาได้ไ้ยเจ้าค่ะผู้เจ้าก็ไม่ไม่ได้เคยสอนให้ทำอย่างนั้นนะในหลักการให้ชีวิตเนี่ยผู้เจ้าให้รักษาศีลนะ อการไม่ฆ่าเนี่ยเป็นการให้ทานชีวิตอย่างไม่มีประมาณมากกว่าการที่โยมต้องไปวิ่งซื้อปลาไปปล่อยนกไปปล่อยใช่ไหมก็จะไม่มีเอ๊ผู้เจ้าสอนให้ให้ทําอย่างนั้นแต่ให้รักษาศีลพอละคือสอนสุดยอดเลยผู้เจ้าบอกใครไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยชื่อว่าเป็นอภัยทานอเวลทานอภายาปาชาทานเป็นการให้ทานชีวิตอย่างไม่มีประมาณเลยีอ่อสุดยอดละมุมเ <c oughs> <c oughs> นี้ยเราไม่ค่อยเห็นกันไง <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะแต่ทานบางส่วนเรียกทานเจเป็นการละเว้นการฆ่าไหมการก็ไม่มีบรญัตินะซึ่งจะมีพระเทวทัตไปขอให้ให้พิสูจน์เนี่ยลดสันปลาและเนื้อตลอดชีวิตผู้เจ้าไม่อนุญาตนะนั้นมันต้องมีมุมที่ที่ไม่ดีคือใครจะทานเนี่ยผู้เจ้าไม่ได้ห้ามไง แต่ถ้ามาบังคับให้ทุกคนต้องทําอย่างนี้เนี่ยผู้เจ้าจะเริ่มห้ามเพราะมันเป็นการการถึงทับจับฉวยด้วยทิฏฐินะเป็นการเข้าไปยึดในความเห็นผู้เจ้ามาสอนให้คนหลุดพ้นได้นิพพานนะใช่ไหมอ่าไม่งั้นเขาจะเข้านิพพานไม่ได้ถ้าเขายังยังยึดถือทิฏฐิอย่างนี้อยู่ความเห็นอเพราะฉะนั้นการรับประทานเนื้อสัตว์ที่เป็นอาหารเนี่ยก็ไม่ถือว่าผิดสิ่ไม่ได้ผิดถ้าอยู่ในเงื่อนไขนี้คือ ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อเรามีเงินขายนิดหนึ่งอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราอย่างไปซีฟู้ดไปชี้ขอตัวเนี้ยอันนี้จะเข้าขายอ่านะเข้าขายตามตลาดท้องตลาดเขาฆ่ากันนี่และขายก็ก็ไม่เป็นไรเพราะยังเคยได้ยินมาเด็กๆวาบาตรเป็ที่คนทำกรรมหรือ่คนซื้ออ๋อ อ่าฮะไม่ทำถึงสิทธิของพระเทวทัตนะคะที่พระพุทธองค์ให้แค่อาบาัตใช่ไหมคะตรงอาบาัตตรงอาบัตนี้แล้วก็กลับมาก็คือก็คือยังบวชอยู่ในพระสมณะโคโดมใช่คะตัวพระเทวทัตใช่ไหม ลูกศิษย์นะคะลูกศิษย์อ๋อใช่ช่ช่คือไม่ได้ไล่ออกไปเพราะว่าตอนแรกที่ไปเข้ากับเทวทัศน์ใช่ไมใช่ค่ะแล้วก็ยังบวชอยู่ยังบวชอยู่เหมือนเดิมแล้วจะบาปไหมคะก็มันเปลี่ยนความเห็นแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรละก็ปฏิบัติต่อไปส่วนพระเทวทัศน์ท่านก็ไปเอเวจีมหานรกยังยังอยู่กับควายตัวที่คี้สงสัยที่เดียวกัน ทำบุญล้างบาปนั้นก็คือต้องเป็นบุญที่เป็นมรรคเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าทำบุญ ส, สูงๆมากๆใช่ไหมคะแล้วแล้วผาบเนี่ยคื อ, อไปทําก็ม า, าส ม, มุตินะว่าไปฆ่าไปฆ่าคนนะคะก็ถือว่าเป็นการฆ่าสัตว์เป็นบาปแต่ว่าถ้าคนคนเนี้ที่ได้ไดถามมาจ้าว่าสํานึกผิดหรือว่าก็คิดว่ากลัวจะตกนรกอะ่ะก็เลยพยายามทําบุญทุกวิถีทางก็จะสามารถที่จ ะ, ะให้กรรมตัวเนี้ไม่ไม่เกิดผลได้ไหม ได้ก็องค์ครีมานเนี่ยฆ่ามาตั้งเก้าร้อยกว่าคนยังเป็นพระหลันได้อ่าแล้วก็แสดงว่าการทําทําทําบาปตรงนี้ก็ไม่ได้เกิดไม่ไม่ต้องสนองสนองแล้วตอนองค์คลีมานเนี่ย <c oughs> บวชเป็นพระเนี่ยโดนขว้างโดนขว้างเลือ ด, ดไหลศีรษะแตกใจวอนขาดนะพระเจ้าหันมาบอกองค์รีมานบอกองค์รีมานทนไว้อดทนไว้ดีกว่าไปเกิดในนรกกเาเนิดเดชานหรือเปรตพิสัย ให้ชดใช้กรรมชดในแล้วนี้ใช่ไชดใช่ใช่แต่ว่ามันต้องยังไงก็ต้องชดใช้ในการทํากรรมของมนุษย์เนี่ยอค่ะเพราะว่าบางคนก็บอกว่าทํากรรมก็ได้เดี๋ยวทําความจะทํากรรมยังไงก็ไม่เป็นไรเอาเดี๋ยวทําความดีมาลบคนจะเชื่ออย่างนั้นมันยังอยู่นะจนกว่าจะหมดไปอย่างพระโมคคานะเนี่ยเป็นพระลหารยังถูกทุบตีตายใช่ไหมค่ะเห็นนะแต่ก้อนกายนั้นไม่ได้เป็นตัว ตัวท่านนี่นะความเป็นพระรหันต์ไม่ใช่ขันท่านั้นขันท่าถูกทําลายก็ปล่อยไปท่านก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนอะไรอย่างนี้ก็คือหมายความว่าบุญก็คือไม่กรรมยังไงก็ต้องชดใช้ใช่ชดใช้แต่ว่าบุญเนี่ยอาจจะมาทําให้กรรมเนี่ยบรรเทาได้ไหมครพระอาจารย์ก็มันก็ส่งผลต่างคนต่างส่งผลเช่นว่าอย่างนี้ผู้เจ้าบอกอ่ะคนเนี่ยทําผิดศีลห้ามากใช่ไหม แต่เขาทำทานมากผู้เจ้าบอกจะได้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานจะจะได้ทรัพย์ของเดรัจฉานอืมวันต่างคนต่างก็ส่งผลในส่วนของการผิดศีลก็ไปเป็นสุนัขไปอย่างเงี้ยอ่าแต่ในส่วนของทานที่เขาทำเยอะอก็ได้ไปเกิดเป็นสุนัขบ้านคนรวยอย่างเงี้ยอ่าก็ต้องแลกกันก <laughs> อ่าฮ ะ, นะเนเวลานั่งสมาธิ ออมันจะเกิดมีน้ำน้ำตาไหลขึ้นมาตลอดเวลาค่ะแต่ว่าเวลาน้ำตาไหลอะค่ะทําไมมันถึงไม่มีความรู้สึกในนั้นนะคะแต่ว่าน้ําตาัไหลได้แล้วเราสามารถทําให้มันหายไปได้ไหมคะได้ไม่ไม่ต้องสนใจมันมันมีหมดนะบางคนก็บอกนั่งแล้วน้ํำลายไหล <c oughs> <c oughs> ต้องคอยขืนน้ํำลายตลอดเวลาเลยบอกเอ้ผมเป็นอะไรเนี่ยนะมันก็เป็นได้หมดเยอะบางคนก็เยอะอ่ะ มาถามเยอะเลยอาตมาก็เคยเป็นนะยิ่งไอ้น้ำลายไหลเนี่ยสมัยๆๆๆนักเรียนมันมีน้ําลายมาตลอดเลยนะพอเราไปกังวล ม, มันยิ่งมีเราคอยกื้น้ําลายมันอยู่นั่นนะอย่างเงี้ยอ่ามาเจอคนนี้เป็นเหมือนเราเลยอย่เลยแล้วแบบอย่าไปสนใจมันเดี๋ยวมันก็หายเอง อ, ะอ่ะแล้วเวลานั่งสมาธิแล้วมันเห็นละอองละ <c oughs> ององคล้ายดาวค่ะ <c oughs> เกิดจับเกิดดั บ, เ, ดดบเราจะทําไงให้มันเห็นเราเป็นโนเลจเข้าไปในจิตได้ะคะเออ การเห็นเกิดดับก็คือต้องเห็นต้องเห็นตัวตัวความนึกคิดเราเนี่ยนะก็คือต้องเห็นว่า <c oughs> จิตที่เรารู้อยู่กับลมหายใจเนี่ยมันดับจะลงไปเมื่อไหร่นะเช่นไปคิดอดีตขณะที่โยมคิดอดีตเนี่ยโยมไม่รู้ลมหายใจแล้วนะโยมถึงดึงกลับมาลมพเพราะณเซลวินาทีนั้นเนี่ยโยมลืมลมละแต่ขณะที่โยมเพลินกับความคิดเนี่ยโยมไม่รู้หรอกว่าโยมลืมลม จิตโยมก็จะไปเป็นตัวเราเนี่ยไปกําลังคิดเพลินพอรู้ตัวอ่ะต้องกลับมารู้ลมกับกลับมานึกถึงลมความคิดก็ดับไปนั่นคือนามดับลมคือรูปก็เกิดขึ้นหลุดไปอีกรูปดับน้ำเกิดรู้ตัวอีกดึงกลับมาน้ำดับรูปเกิดแค่เนี้ยแหละพระเจ้าบอกแค่เนี้ยเห็นการเกิดดับแล้วนะแต่ไม่ใช่ไปเป็นนิมิตว่าเห็นเป็นฟองน้ําเห็นเป็นฝนเห็นเป็นอะไรเกิดไปนิมิตละเพลินละ อ่าอย่างนี้ชอันนั้นไม่อ่าอันนั้นไม่ใช่ละนะอันนั้นคือเราเราเราเพลินเพลินต่ออารมณ์ก็เพียงแต่กลับมารู้ลมเขาไว้อารมณ์นั้นปั๊บจะดับไปเลยเนี่ยอย่างนี้เราก็จะเห็นละไอ้ไอ้นิมีตัวนี้ดับไปละอ่าก็คอยระวังอย่าให้มันมีอีกเี่ยอื แล้วก็มีเด็กคนหนึงตอบว่าเกิดปนโยมมายมยมขบาร์แล้วครูบอกว่าถูกต้องเขาก็เลยมาถามโยมว่าถ้าคนทำบาปเท่ากับทำบุญตายแล้วเกิดเป็นโยมับาวใช่ไหมเรมา้านนี้ไหคะเพราะว่ามีมีมม น้ำหนักของอกุศลก็มีหลายแบบนะ อ, อน้ำหนักของกุศลก็มีหลายแบบไม่รู้ว่าใครจะทําน้ําหนักของอกุศลอกุศลไอ้วัดทําเท่ากันในวัดวัดยากมากการทีอ่อาจารย์แบบว่าทำบุญทำทานร้อยครั้งหรือการก็ไม่เข้ากับการได้เต๊ะแบบได้รักษาศีลหรือนั่งสมาธิตรงเนี้ยพระเจ้าจึงบอกพระเจ้าผู้เดียวเท่า น, นั้นที่จะเป็นคนรู้ตรงเนี้ย อ่าต้องต้องคีค์าำว่ายมพบบ้านงงแล้วก็หาก็มีอยู่ที่ผู้เจ้าบอกนายนิรยาบานอะไรอย่างเนี้ยนะอ่าก็เป็นพบอันหนึ่งแล้วก็เราก็ดูซิว่าเหตุเกิดนะการเกิดเนี้ยดูว่าผู้เจ้าบอกไปในเรื่องอะไรบา้างนะ ถ้าอย่างนี้ในนิรยาบาลก็เป็นเทวดาชนิดหนึ่งหรือยังไงคะก็ไม่จะว่าเป็นเทวดาก็ไม่ใช่นะอืมเป็นเป็นโชคดีที่ได้เกิดเป็นในนิรยาบาลหรือว่าถือว่าเป็นไม่คือคือว่าเป็นกรรมหรือว่าเป็นอาตมาเคยไปเจอแวบบ็แบๆบนะว่าพวกเนี้ยปรารถนาอยากจะได้มาเป็นมนุษย์น ะ, ะแสดงว่าเขาเขาก็อยู่ในภพภูมิที่ไม่ดีนะ ได้ยินมานบอกว่าในนิพพานมีทั้งดีและไม่ดีาาเวลาไปทงานเนี่ยไม่ดีะไปอยู่ที่เหม็นเน่าเวลาตอางคืนทลาวัน<า>มีทั้งบุญทั้งบาปอย่างว่ า, า ท, ที่ดกับพูดเนี่ยาาาามีทั้งบุญทั้งบาปยอ ใ, ในนิพพาน่าพูดอฮะอาา่าฮะจะมมีข้อนันเช่มรัใช่ก็ตรงนี้ต้องหาในพุทธวจนะอีกทีหนึ่งแต่ที่ที่มีผู้จอดจัด ในเรื่องของคนที่ทำกุศลอย่างเดียวเนี่ยก็จะได้ไปเกิดเป็นพวกเทพสุภกินนาแล้วก็พวกทำอกุศลอย่างเดียวเนี่ยจะได้ไปเกิดเป็นพวกสันนิกส่วนพวกที่ทำทั้งดีและชั่วเนี่ยที่ถ้าเป็นการพูดกลางๆเนี่ยจะเกิดในภพมนุษย์อ่าอย่างนี้อันนี้ถ้าถ้าอันนี้ก็จะมีในพระสูตรหนึ่งเหมือนกัน อ, อาจารย์กออากาศครับ มันวิการเปลนี่มันเป็นอัตคาอัตคาถาหรือว่ามีวุฒิภูริชนะไว้เด้อครับอัตคาถามีแน่นอนแต่วุฒิภริชนะนี่มีทราบหนีเปล่าครับอ๋อต้องต้องต้องหานะฮานวิการเปลิดอาจารย์ครับพอดีโ <c oughs> ยมเคยถามอาจารย์เรื่องพระเจ้าเคยเจ็บไข้ไหมนี่นะครับอโยมก็ให้เขาคี่ให้เขาโยมเรื่องคอมไม่เป็นนะครับอืมเขาก็คี่ ปรากฏว่ามไม่เจอออที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าเจ็บไข้เลยพระพุทธเจ้าเจ็บไข้เหร อ, อมีสิมีสิแต่คีไม่เคยไม่เจอนะครับก็ที่พระพุทธเจ้าอาพาธ่ยอาพาธเพราะพวกอะไรอย่างที่สุกรมัทวาก็อาพาธอย่างเนี้ยอืมอย่างที่พระนนรูปพระกายพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกเขี่ยวย่นหย่อนยานเนี่ยไม่เหมือนเดิมพระพุทธเจ้าบอกเนี่ยกายมันก็ต้องเป็นเช่นนี้และอย่างที่ อวักกาลลิมาาชื่นชมในกายผู้เจ้าพผู้เจ้าก็บอกประโยชน์อะไรด้วยการเห็นกายเน่านี้น่ก็ท่านไม่ได้ชื่นชมกายนี้เลยท่านีกาเป็นกายเน่าเหมือนกันนันก็จะมีความแก่ชราเหมือนคนทั่วไปอพระสงฆ์ที่เป็นเอกทักษะนะครับที่ว่าด้านความไม่เป็นไม่มีเจ็บไข้สันใช้คาว่าอาภาษน้อยเป็นเลิศด้านอาภาษน้อยอ๋ออ๋ครับผมใช่ใช่ ก็แสดงว่าต้องมีอาพาธอยูม่มีแต่มันน้อยมากมน้อ ย, อยใช่ใช่น้อยมากเหมือนกับที่ผู้เจ้าโดนหินพระเทวทัตนะผู้เจ้าก็บอกอานนท์เราลำบากกายนะเนี่ยก็อาพาธก็มีเหมือนกันแต่ใช้คำว่าลำบากกายเพราะว่ากายก็ไม่ใช่ของท่านนะแต่ว่าไอ้ก้อนกายเนี่ยมันลำบากแล้วนะตอนเนี้ พระอาจารย์ครับถวายข้าวพระนี่เป็นวัตโกมครับคือโยมแม่ของโยมนะครับท่านก็ชอบไหว้พระสวดมนต์ใช่ไหมครับท่านก็จาพระประดามาเพยดีเดิ ม, มคือถวายข้าวถวายน้ําพระทุิลรูปนะครับที่ยมว่าไปบอกว่ามันไม่มีในพุทธเจนะใช่ครับท่านก็รับฟังอยู่ผมบอกน่สสงว่านั่งสมาธิดีกว่าท่านบอกเออท่านก็นั่งอยู่แต่ท่านก็ไม่ไม่ยอมเลิกไอ้เพณีเดิม ก็ยังทําทําตามไปนี่เดิมทีนี้โยงจะจา ก, จ, ากจนไปห้ามมากก็มันจะเป็นอ่าไม่ใช่ <laughs> มิตรโยงก็อะไรเอออริยมรรคเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องเบื้องต้นใช่ไหมครับอ่ า, อาแต่แล้วก็ไหว้พุทธโลกเนี่ยแล้วพุทธโลอยู่ไม่ได้ไปไหวอ้อย่างอื่นทีนี้เนี่ยนะครับจะเป็นวัตถโกโตหะมงคลไหมครับก็น่าจะมีน่าจะมีส่วนนิดนิดนะอ่าแต่ก็ปล่อยปล่อยไม่ ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่ามันต้องทําสมาธิไปเรื่อยๆ เ, เหมือนกับ อ, อย่างเราเรามาศึกษาธรรมะใหม่ๆถามว่าเราสลัดพวกนี้ได้ทีเดียวเลยไหมก็ไม่ได้นะก็นานเหมือนกันอะระหว่างแก๊ปที่นานของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันเนี่ยใชยไหมอ่าก็ต้องให้เวลาเขาในการที่สิ่งเหล่าเนี้ยจะจางคลายออกไปไนะก็ไม่ได้เป็นบาปอะไรนะ ก็คืออาจจะเลื่อนช้าเป็นเหตุได้เลื่อนชา้าไปหน่อยอินซีเขามื่ อ, อี้<อ>เเพิ่มขึ้นใช่ใชอินซียังอ่อนอแต่อย่างเจ้าที่ที่บ้านหรือว่าที่ทางานอย่างเนี้ยค่ะก็คงเป็นเทวดาหรืออะไรนะฮะแต่ก่อนก็อาจจะมีใจเหมือนกับวกลักถือ ต, ตอนนี้เหมือนกับว่า <c oughs> จะเป็นเพื่อนกันแล้วก็ทายกันธรรมดาอย่างนี้ก็ไม่่ ก็ไม่ไม่ต้องสนใจอะไรเลยก็ได้นะอาตมาเป็นตั้งแต่เด็กเนี่ยก็ถูกสอนให้วาเจ้าที่มาตลอดแล้วก็เอาข้าวไปถวายเจ้าที่ถวายพระพุทธรูปถวายเจ้าที่ต่อมาพอเราปฏิบัติธรรมมาเรื่อยๆเราก็เลิกธรรมระหว่างเลิกธรรมเป็นปีนะถวายบ้างเลิกบ้างนะลังเลใจไม่น่จะดีหรือเปล่านะอย่างเงี้ยอ่าจนแบบอไม่สนใจลนะนะ ก็ไม่ทำก็ไม่เด้เดือดร้อนอะไรแล้วเราก็กลับพระเจ้าเนี่ยนะเต็มที่เลยดีกว่ า, า, า, าแผ่เมตตาได้ไงนะ<ม>เกี่ยวข้องก็คือเราแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายให้ให้เข้ามาเห็นธรรมะอย่างนี้ดีกว่าดึงดึงให้เข้ามามีธรรมะรู้ธรรมะของพระศาสดา<ม>เช่นเราจะสาธยายธรรมะพระศาสดาเนี่ยใช่ไหมอย่างเราสาธยายรม พระศาสดาเขาได้ยินได้ฟังด้วยก็เกิดประโยชน์ใช่ไหมพวกพรลมเทวดาเนี่ยผู้เจ้าบอกพอได้ยินได้ฟังคําศาสดาก็ห่อเหี่ยวใจไงพอคิดว่าตัวเองเนี่ยเที่ยงแท้นะไอ้พวกที่อายุยืนเนี่ยมันจะห่อเหี่ยวใจวะเอ๊ะเราคิดว่าเราเที่ยง <c oughs> แต่เราไม่เที่ยงนะอ่าไอ้พวกเพลินอยู่ในรูปเสียงกีรติลดมันจะมันก็จะเงี้ยหูลงฟัง่ะเอ๊ <c oughs> นะ <c oughs> คุย <c ười> เหมือนกับว่าเป็นเป็นเพื่อนกันเพื่อนร่วมงานกันสถาพที่เดียวกันท่าที่เดียวกันอะไรอย่างนี้ก็ก็ได้แต่ว่าเราไม่ได้ไปเคารพนับถืออ่อ่ า, อาใช่ใช่ใชเราก็ไม่ได้ไปเคารพนับถืออะไรนะก็เป็นเป็นระบบชีวิตที่มีอยู่แยะในโลกธาตุนะ <c oughs> ตกลงแล้วสมมุติถ้าเราเป็นโสดาบันแล้วใครควรเคารพใครเจ้าที่เนี่ยแหะต้องมาเคารพเราเพราะเราเนี่ยรู้วิธีแก้ตายได้แล้วเขาเนี่ยต้องมาเคารพเรานั่นเรื่องเคารพเนี่ยพระเจ้าก็จะบัญญัติไว้บัญญัติเรื่องการไหว้การกราบการเคารพเนี่ยการเคารพมีใช้เหตุอะไรในการเคารพเขาต้องมีศีลดีนะอ่าเป็นผู้มีกายดีวาจาดีก็เหมือนพระเจ้ายังโดนตําหนิเลยอย่างนี้พระเจ้าเนี่ย ยังหนุ่มอยู่เนี่ยทำไมไม่กราบไหว้พราหมู้ท่าผู้แก่ผู้เจ้าก็โดนว่าได้ข่าวว่าสมณะโคโดมไม่ไหว้ใครมันเป็นการสมควรแล้วหรือเปล่าเพิ่งบวชมาไม่นานยังหนุ่มแน่นผมยังดำสนิทนะอย่างเนี้ยอ่าโดนเลยผู้เจ้าก็เลยอุปมา่าแม่ไก่เนี่ย <c oughs> อ่าอ่าออกไข่มาแดฟองสิบฟองสิบสองฟองลูกไก่ตัวใดที่เจาะกระป๋ อ, องไข่ออกได้เป็นตัวแรกควรถูกล้ เรียกว่าเป็นผู้พี่ใช่ไหมพราหมณ์ก็บอกว่าใช่ตถาคตเนี่ยเจาะกระเป๋ะฟองอวิชาออกได้เป็นคนแรกต้องเป็นผู้พี่<อ>นะต้องมาเคารพตถาคตเลยนี่ยมุมในการเคารพน ะ, ะต้องรู้นั้นตกลงแล้วถ้าเป็นพวกเทวดามีสมาธิฐิยงไปไหว้เขากยไม่ต้องไหว้ผมเนี่ยต้องไหว้คุณ <laughs> ใช่ไหมครูเจ <laughs> ้าบอกเลยว่าเทวดาและพรหมประชาบดีทั้งหลายเนี่ย ย่อมนมัสการภิกษุผู้มีจิตหุดพ้นมาแต่ที่ไกลเทวว่าข้าแต่ท่านบุตผู้อาชะนายข้าแต่ท่านบุตผู้สูงสุดข้าพเจ้าไม่อาจจะทราบสิ่งซึ่งท่านอาศัยแล้วเพ่งของท่านนั้นเขาจะเคารพพระอริยะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าพระโยบคญเนี่ยอาศัยอะไรเป็นการเพ่งปกติเทวดาเนี่ยบางทีอาศัยปิติเป็นอาหารอาศัยชานสมาบัติต่างๆเป็นเครื่องอยู่ต้องดำรงอยู่ในชานถึงจะดำรงชีวิตอยู่อย่างนี้ แต่เขาหาพระหลานไม่เจอพระหลานเอาอะไรเป็นเครื่องอยู่เพราะว่าเครื่องอยู่ของพระหลานไม่ได้อยู่ในสังสารวัตแต่อยู่ในวิมุตติหรือนิพพานนะอาจารย์คะจะถามว่าพระเจ้าเนี่ยท่านทําให้พมเทวดาได้ยินเสียงได้ใช่ไหมแล้วมนุษย์ในทวีปอื่นนะคะแล้วทวีปอื่นคือที่ว่ามีสี่ทวีปเขาจะได้ยินเสียงพระเจ้าด้วยหรือไม่แล้วพระเจ้าจะ เขาจะรู้จักธรรมะไหมคะมจริงๆแล้วก็ควรจะได้เพราะว่าผู้เจ้าก็สามารถทําให้ได้ยินได้ทั้งหมดขนาดพรมซึ่งมีความละเอียดมากเนี่ยยังสามารถทําให้ได้ยินได้ใช่ไหมแล้วชมพูทวีปนี่คือ <c oughs> มีแค่โลกนี้อย่างเดียวหรือว่ามีหลายๆชมพูทวีปคะก็ผู้เจ้าจะบอกว่ามีชมพูทวีปพันทวีปอย่างนี้แล้วผู้เจ้าแส <Yeah. S 1> ดงว่าในทุกๆชมพูทวีปก็จะมีผู้เจ้าเกิดขึ้นมาหรือเปล่าตรงตรงเนี้ยเป็น เป็นจุดที่เรียกว่ า, าเราถึงใช้ใช้การเทียบเคียงโดยโดยแกนระยะทางกับแกนเวลาไงว่ า, าผู้เจ้าเนี่ยบัญญัติเรื่องอความกว้างใหญ่ของของจักรวาลเนี่ยโดยใช้แสงของดวงอาทิตย์แล้วก็ชมพูทวีปเป็นพันทวีปเลยทวีคูณขึ้นไปและอีกพันเท่าจะเป็นอีกหนึ่งโลกทธาตุอีกหนึ่งโลกธาตุแล้วก็มาดูที่ผู้เจ้าบอกว่า ความเป็นผู้เจ้าเนี่ยจะไม่มาเกิดในโลกธาตุเดียวกันนั้นก็จะมีพระบางองค์ก็จะบอกว่าจะมีผู้เจ้าในอีกโลกธาตุหนึ่งซึ่งอยู่ในเวลาเดียวกันอย่างเงี้ยนั้นถ้าถ้าอย่างเงี้ยเรียกว่ามันเป็นแกรนระยะทางแต่ท่านี้ <c oughs> ถ้าเรามาดูพุทธวจนะที่อธิบายเรื่องของการเกิดพระพุทธเจ้าเป็นการอธิบายด้วยระบบแกนเวลา ว่ามเมื่อเก้าอ็ดกับที่ผ่านมาเนี่ยนะมนุษย์อายุแปดห0ื่นปีผู้เจ้าองค์นี <maturity Un ited sortir> <S <s ้เกิดผ่านลงมาอายุเท่านี้ปีผู้เจ้าองค์นี้มาเกิดนี้มาเกิดนี้มาเกิดนี้จนถึงผู้เจ้าเนี่ยอายุร้อยปีแล้วจากผู้เจ้าอายุร้อปีมนุษย์จะเหลือ10ปีแล้วตีขึ้นไปแปดหมื่นผู้เจ้าองค์ต่อไปจะมาเกิดนั่นคือมันเป็นแกนเวลาไงนั้นผู้เจ้าบอกไม่เกิดมาในโลกธาตุเดียวกันเนี่ยมันก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นแกนเวลามั้ง แล้วผู้เจ้าเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องเรื่องแกนระยะทานเป็นตัวอย่างให้เห็นน่ะไม่ไม่มีตัวอย่างให้เห็นในลักษณะของแกนระยะทานมีแต่แกนเวลาเราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของแกนเวลาอย่างเดียวน่ะแต่ว่าในโลกโลก <c oughs> คือถ้าเกิดว่าอีกหนึ่งพันเท่าก็เป็นอีกโลกทาตนุหนึ่งใช่ไหมคะแสดงว่าใช่ อ, อที่พระเจ้าพูดคือว่ามีอาจจะหมายถึงว่ามีผู้เจ้าเนี่ยอยู่ในอีกอาจจะเป็นได้ทั้งสองช้อยใช่ไหม อาจจะเป็นได้ทั้งสองช้อยเพียงแต่เราไม่เจอตัวอย่า ง, <อ>งช้อยที่สองก็เจอแต่ที่เป็นร เ, เรื่องของเวลาเรื่องของเวลาใช่ใช่นั้นถ้าถ้ามีพระสูตรเป็นในลักษณะของช้อยที่สองเนี่ยถึงจะยืนยันในทั้งสองกรณีอเออแล้วไอ้นี่ที่ไปเจออีกนะไอ้ทวีปเนี่ยในบาลีไม่ได้ใช้คําว่าทวีปอ่าก็คทวีปเนี่ยจะใช้กับชมพูทวีป มันใช้คําว่าทีเปอะไรก็ไม่รู้ถ้าลองปิกกลับไปแต่ตัวอื่นเนี่ยจะไม่มีคําว่าทวีปแต่ภาษาไทยมาใส่ทวีปเองอแต่ใส่ทวีปในชมบูทวีปเนี่ยใช่แต่อุตรลักกุลุเนี่ยไม่มีทวีปปุบพ่าวิเทหะก็ไม่มีทวีป อ, อ, อันนี้ก็เลยเลยต้องต้องหาปีกว่าไอไออันเนี้ยจะหมายหมายถึงอะไร เราพูดถึงการเกิดจะนะคุณอาจจะไม่ได้หมายความว่ามนุษย์แปดหมืปีอายุแปดหมืปีเป็นดาวดวงนี้ดาวโลกดวงนี้เป็นดาวโลกดวงอื่นหรือว่าโลกดวงเดียวนี่ยหะแต่ว่าโลกนี้มีมีเกิดขึ้นมาแล้วก็มันต้องแตกไปแล้วเกิดขึ้นมาใหม่แล้วถึงจะมีมนุษย์แปดหมืปีนะครับั้งแต่ที่มันมันแยกกันมันแยกกันพระเจ้าพูดพระสูตรเนี่ย ในโลกเดียวกันอยู่นะแต่ขณะเดียวกันก็มีชมพูทวีปเนี่ยเป็นพันด้วยนะแล้วในขณะเดียวกันการเสริมสลายของโลกก็มีด้วยนะทะน่านี้การเสริมสลายของโลกเนี่ยเมื่อโลกละลายที่พระเจ้าบอกดวงอาทิตย์มีถึงเจ็ดวงแต่หยุดพยากรไว้แค่นั้นซึ่งไม่รู้ว่าสรุปแล้วละลายแล้วเนี่ยมันแตกไปเลยหรือว่า ดวงอาทิตย์เนี่ยมันโครจร อ, ออกไปแล้วทำให้โลกใบเดิมเนี่ยมันเย็นลงแล้ววิวัวฒนาการใหม่ขึ้นมาอีกอย่างเนี้ยก็คือไม่ได้พยากรละสสลอ่าใช่ <c oughs> ใชวนโง่แต่กูเถทะคนจะสนใจมากนี่ถ้าเอาไปให้ฮอลลีวูดสร้างหนังนะโอ้โห <c oughs> <c oughs> สนุกมากก็ <c oughs> เจ<อ>้าไ่พูดอยู่บ้าง <c oughs> ที่บอกนะ <c oughs> ว่าในพุทธศตวรรษนี้ค่ะในศตวรรษนี้จะเกิดแบบใบลานโลกอ๋อไม่มีไม่มีไม่มีใช่ระยะเร็วๆนี้ยังไม่มีอะไรต้องไปอีกหลายแสนปีจะเจอยุคฝนแล้งก่อนนะอใช่ใช่อีกหลายแสนปีแล้วพอฝนแรงเนี่ยพวกพืชในโลกเนี่ยจะตายเกือบหมดใช่นจากนั้นเนี่ยอีกการนานไกลแสดงว่าเลยหลายแสนปี ไม่ไม่ระบุจํานวนปีแล้วจะมีดวงที่ดวงที่สองปรากฏอย่างนี้ยอ่าโลกก็จะร้อนขึ้นวพวกป้วยน้องคลองบึงอย่างนี้จะแห้งหมดอแล้วก็อีกการนานไกล ด, ดวงที่ดวงที่สามจะปรากฏตอนเนี้ยแม่น้ําแห้งอพอดวงที่สี่เกิดพวกต้นน้ําของแม่น้ำเนี่ยมหาสาทั้งหลายจะแหง้งพอดวงที่ห้าเกิดเนี่ยทะเลแหง้งนะดวงที่หกเกิดเนี่ยพันดินละอูนะเป็นควันพอดวงที่เจดเนี่ย มหาปัตตพีละลายในทุกครั้งที่ผู้เจ้าพยากรณ์เนี่ยจะตบท้ายด้วยว่าเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วต่อความเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยไม่เที่ยงใครเล่าจะคิดว่ามหาปัตตพีอันยิ่งใหญ่เนี่ยจะละลายไปได้นะอืมมาแสดงว่าโลกนี้มีการหลับสลายแน่นอนแ น, น่นอนแน่นอนแล้วก็ดวงจิตไปห <c oughs> ไหนเอ้ยด้วยดวงจิตคือเราไปไหนนะก็ไปาที่เกิดใหม่นะ หาหมงนี้ไม่ได้แล้วก็หามงใหม่มมมมก็ปกไปหาแบบใหม่ใช่นนใช่ไม่มีทางหีเป็นนเลยไม่มีทางหนีนคน น, น, นะยังไงก็ต้องเกิ ด, เ, กดเพราะตัณหาความอยากยังมีอยู่นะในเมื่อเหตุที่จะสร้างการเกิดยังมีการเกิดต้องมีแน่นอนนอกจากโยมจะดับเหตุที่จะสร้างการเกิดได้นะการเกิดถึงจะดับไปได้ แต่จะไปเกิดที่ไหนนั้นก็เนี่ยแหละแล้วแต่ละใช่พยารศาสตร์อาจารย์ขอถามเรื่องที่เกี่ยวกับตัวโยมคนเดียวหลังจากโยมมาปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วอืมสิ่งต่างๆที่เคยเบีมาก็ต้องเปลี่ยนไปหมดะออืก็สับสนบ้าง <c oughs> เปลี่ยนแปลงไปบ้างแก้ไขาทานบ้างก็แก้ไขไปเรื่อยๆ อ, อยากการเรียร์ถามอาจารย์ว่าเรื่องมารณ์นในครั้งแรกที่ผมออกจากงานตรงนี้ผมก็ ตั้งใจอย่างแน่วแน่ทุกอย่างเลิกหมดเลยเลิกทั้งหมดเลยทรัพย ส, บสมบัติหรือต่างๆสิ่งของที่เป็นอาวุธปืนหรือว่าเพื่อนรุ่นหรือว่าสิ่งต่างๆยนี้ผมก็ตัดหมดลม เ, มหเลยครับอืผมเรียนทำพระอาจารย์เพราะสิ่งทำแต่เป็นมานะปะตัดหมดเลยครับขณะนี้<อ>ก็ไม่ดูทีวีไม่ฟังวิทยุอแต่ก็ฟังธรรมะนะทีวีไม่ดูหนังก็เพียไม่อ่านอืมันก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีเบื้องต้นที่เราที่เราต้องมีไง เพราะถ้าไม่วางสิ่งเหล่านี้มันก็ยังเป็นเครื่องทวงไงจะว่าเป็นมานะมันก็เป็นระดับหนึ่งที่มันต้องอาศัยเป็นสะพานทอดไปถึงอีกระดับหนึ่งอย่างเนี้นะนั้นเหมือนกับว่าศีลประตู ป, ปาทานเนี่ยเราเลิกวัตะโกตูลมงคลต่างๆแล้วแต่เรายังยึดอะไรยึดศีลดีของเราอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องยึดก่อนเพื่อเลิกอันนั้นเลิก สินข้อปฏิบัติกายวาจาที่ผิดมาปฏิบัติกายวาจาที่ถูกต้องจากนั้นก็ต้องขยับขึ้นไปนะที่เรียกว่าละศีลปตูปาทานอุปทานในสินพรดเพราะฉนั้นทั้งดีไม่ดีก็ต้องวางหมดอย่างเนี้ยนั้นพอเราเห็นอย่างนี้ว่าเออมนันอาจจะเป็นมานะตรงนี้ก็ได้เราก็ค่อยวางความยึดมั่นในตรงนี้อีกชั้นหนึ่งอย่างเนี้ยจะเป็นแค่เข้าใจอ่ายังไงก็เข้าใจ ไ, ได้ ก็ยังนึกว่าสิ่งต่างๆมันยังเป็นมาณะไหมเพราะอ่านจากหรือฟังจากพิี่ณาจากให้ควรทําดูปุ๊บยังน่าจะเป็นมาณะระดับสูงอยู่ตรงนี้ในตัวผมเองครใช่ใเพราะมานะเป็นสังโยชน์เบื้องสูงน่ะมันมันยังมีแทบทุกคนเลยนะคือขณะนี้ผมเองผมก็ไม่ไม่ฟังอะไรทางนั้นเลยไ่ฟังทางนั้นไม่ไม่ทำอะไรที่ที่ที่นอกจากพุทธชนะได้เลยนะเพราะว่าเขาเปลี่ยนเปลี่ยนมาหมดเลย ถ้รู้สึกว่าก็มาไคลโคลดูตรงนี้ว่ามันเป็นมณะตัวหนึ่งไหมซึ่งควรจะควรจะละไปไหมหรือขนาดนี้ละไปแล้วแต่ละแบบทางโลกไปแล้วออืแต่ละในทางธรรมเนี่ยไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกันไหมขนาดนี้หรือว่าเป็นตรงนี้ก็<ล>ต้อ ง, <า>งใช้ใช้ไปจนกว่าจะถึงวิมุตต์เน่ะเพราะว่าถ้าจะละละธรรมะพระศาสดาเนี่ยก็เหมือนละเรือแพซึ่งต้องถึงฝั่งแล้วถึงจะละเรือแพได้ ธรมาทั้งหมดของผู้เจ้าก็ให้ละเหมือนกันแต่ละเมื่อถึงฝั่งไงนั้นเราก็ต้องใช้ตรงนี้ไปก่อนที่ผู้เจ้าบอกธรรมาราโมมีธรรมเป็นที่มายินดีก่อนเวัะ น, นั้นเราต้องยินดีในตรงนี้แล้วก็ประพฤติป ฏ, ปฏิบัติดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็จะมีความดีมาสนใจเรื่องดีแล้วถูกต้องแล้วก็จะมีหลายดีหลายระดับอีกแล้วก็พัฒนาดีขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยอแล้วขอเรียนถามอีกเรื่องหนึงครับเรื่องแผ่เมตตาอ mm hmm. ืานย่าดมก็ถามหลายหลยครั้งแล้ว เมื่อก่อนที่จะมากราบพระาจาร น, นี้ก็ใช้กวดน้ําำ uh huh. ก็ปวดทุกบทเนี้ยอีกนาบทเล็กบทใหญ่เลยก็กวดหมดต่อครั้งใช้เวลาตรวจมันขึ้นอุโมงค์วันนี้ก็เลิกไปแผนเมตาแต่ทีนี้ uh huh. ขณะที่ตวดน้ําเมื่อระยะก่อนนี้นะก่อนนี้เวลาตรวจน้ําเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่รู้สึกทราบสั้นอะไร uh huh. ไม่รู้เฉยแต่ขณะเนี้ยตรวจน้ําทุกครั้งที่ผ่านมาจากมาอยู่พระอาจาย์นี้ประมาณสองเดือนนี้เนะ ตัวน้ำตรงที่อุทิศส่วนุนึ่งให้กับเปลตเนีอยเพลตจะรู้สึกทราบสั้นมากเลยช่วงเดียวครับพระการช่วอื่นไป่ทราบสั้นเรียถามว่าตรงนี้ยาผมเป็นเพลตเยอะหรือเปล่าก็เป็นได้เป็นได้เพราะอย่างน้อยเนี่ยแม้สักคนหนึ่งพระเจ้าก็บอกต้องมีแน่นอนนะนั้นอาจจะมากกว่าหนึ่งคนเนี่ยนะก็รู้สึกสะดุ้งสะเทือนมากเพอถึช่วงตรงที่แผ่เบตาไปให้เพลตทั้งหลาย รู้สึกว่ามันจะเรียกว่าจะผีเข้าอะไรอย่างงี้แต่ ก, ก็สมควรช่วงหนึ่งเนะี่ยแล้วก็ถ้าผ่านไปถึงสัปสัตถ์ทั้งหลายก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรอก็ยังได้เฉยๆทีเ่เดชธพระอาจารย์ทีนี้ก็ว่ า, าคืออาจารอเจ้าะบอกว่าปู่ย่าตา ย, ยายตอนนี้ไม่ได้เปรตแต่ปู่ปู่อาจจะเป็นเปรตก็ได้อใช่ไม่เจ้าว่าเข้าใจถูกบอกใช่ใต้องมีแน่นอนอาจารย์ครับ หนไะ่พอดีพูดถึงเรื่องการแผ่เมตตาพอดีนี่ขึ้นได้การแผ่เมตตาตามหลักพุทธวจนะนะครับอหลังจากที่เราทําทําบุญวิปัสสนาเสร็จแล้วอมันทางพุทธวจนะนี่มีวัดดิ้งไหมครับในการกแผ่เมตตาไม่มีก็ก็จะมีบทพุทธนะที่บอกหลักการในการแผ่เมตตาก็คือให้จิตปราศจากนิวรณ์ แล้วลักษณะการแผ่เมตตาก็คือทําจิตประกอบไปด้วยเมตตาแล้วก็แผ่ไปสู่ที่ที่1 2ึ่สอนั่นคือแผ่ไปมากน้อยแค่ไหนเพราะบางคนอเอาแค่นี้เอาแค่นี้แต่นั่นคือพระพุทธเจ้าบอกให้อย่างไม่มีประมาณใช่ไหมรายละเอียดของของการแผ่เมตตาก็จะไม่บอกอะไรเอาไว้จะไปบอกในลักษณะของอุปมาว่าเปรียบเหมือนบุรุษเป่าสังผู้มีกําลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศ นั่นก็คือเราต้องทําความรู้สึกที่เป็นเหมือนกับความรู้สึกที่เมตตาแล้วก็ทําความรู้สึกนี้ออกไปอย่างนี้ดังนั้น ถ, ถ้าจะให้ตรงจากที่ผู้เจ้าบอกอย่างเนี้ก็จะต้องลักษณะของการทําความรู้สึกที่เป็นเมตตาแล้วทําความรู้สึกนี้ออกไปกระจายออกไปอย่างนีนน้การทําความรู้สึกนี้ได้ก็จะต้องจิตปร ะ, ประจากนิวรซึ่งนั่นก็คือการแผ่เมตตาจริงเนี่ยยากยากเหมือนกันนะแอะยากเหมือนกันมัน ทำยากเหมือนกันนะแต่พระพุทธเจ้าจะไม่ลงละเลยดมากเพราะว่ามันไม่ใช่ธรรมะของพระองค์โดยตรงนะเป็นธรรมะที่ที่เป็นประโยชน์ที่เกิดมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่มันเป็นประโยชน์ในทางโลกนะที่บอกว่าอนิสงของการแผ่เมตตาสิบเอ็อย่างรับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของพวกมนุษย์เป็นที่รักของพวกอมนุษย์นะพวกเป็นที่รักของเทพปรดาทั้งหลายอย่างเนี้ย ไฟก็ดีสาราก็ดียาพิษก็ดีไม่ต้องบุคคลนั้นอย่างี้นั้น <c oughs> ตรงนี้ผู้เจ้าก็จะสอนไว้และจะสอนในการหลุดพ้นด้วยว่าถ้าจเจริญเมตตาภาวนาแล้วจะหลุดพ้นจะทำยังไงก็ต้องเอาอริสสตรีเข้าไปจับคือรู้ว่าเมตตาภาวนาเนี่ยก็มีความเป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งมีความเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมด า, านีถึงจะหลุดพ้นเป็นอริบุคคล อาจารยขอย่าต่อยอีกนิด uh huh. คำว่าเอาพิว่าที่พระอาจารย์สั่งสอนเมื่อสักครู่นี้นะ uh huh. ครับว่าพุทธเจ้านั้นจะไม่พิวาสผู้ใด uh huh. ผมก็อ่านเจอหนังสือก็พอดียังไม่ค่อยเข้าใจครับเพราะว่า uh huh. ก็ไปอ่านคำอธิบายจากของพ่อพุทธทาสด้วย uh huh. ว่าทําไมถึงพุทธเจ้าไม่พิวาสผู้ใด uh huh. ไม่ว่าจะเป็นพระบิดาหรือพระมาดาอะไรก็ท่านก็ไม่พิวาสอย่งนั้นแต่ก็อ่านดูในในพุทธประวัตินีน้ก็พอเข้าใจได้ไดว่า ถ้าผู้เจ้าอภิปาทผู้ใดผู้นั้นจะเสียชีวิตทันทีอื <ứng S 2> จะสมองแตกทันทีเลยอ <ứng> ื่ผู้เช่าท่านบอกว่ามันเป็นธรรมชั้นสูงซึ่งไม่สา ม, มารถจะอธิบายได้ก็ ứng ứng เลยท่านพู้แค่นี้ก็เลยยิ่งไม่เข้าใจว่าในความจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าผู้เจ้าไปไหว้ผู้ใดแล้วผู้นั้นก็สมองแตกทันทีแต่ผู้เช่าท่านบอกว่าสมองแตกอันนี้หมายความว่ามันเป็นธรรมะทั้งสูงคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะธรรมะชั้นสูง <ứng S 2> ซึ่งท่านบอกว่าอธิบายได้ยาก ก็ใช่ตรงนี <monsieur> <sign air> ้ท่านพุทธท่านก็จะไม่อธิบายไว้ท่านท่านก็แปลตรงๆตามบทพุทธาสนาว่าถ้าผู้เจ้าไหว้ผู้ใดเนี่ยศีรษะผู้นั้นจะแตกนะแต่ก็ท่านก็ไม่ทราบว่าตรงเนี้ยมันเป็นไตรยะหรือว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงจริงนะอาจารย์คอการ์ดครับครับไปเรื่องแผ่เมตตาเมตสกู่นี่นะครับถ้าฉะนั้นถ้า ขณะที่แผ่เมตตาเนี่ยจิตเรายังมีความฟุ้งอยู่อันนั้นก็จะไม่เกิดผลใช่ไหมครับจะ ม, มีอันใส่งเลยหรือครับอ๋อถ้าจิตเรายังฟุ้งใช่ไหมใช่ครับก็เหมือนกับจิตมันไม่มีกําลังเพราะถ้าไปเปรียบเทียบที่พระศาสดา บ, บอกว่านิวรห้าเนี่ยเป็นเครื่องทําให้จิตถอยกําลังเปรียบเหมือนน้าที่ไหลลงจากภูเขาแล้วมันมีซอกเล็กซอกน้อยซ้ายขวาน้ํามันจะหมดกําลังนั่นก็คือเราจะไม่มีกําลังที่จะแผ่เมตตา นั่นแสดงว่าผู้เจ้าทราบแล้วว่าจิตที่จะแผ่เมตตาได้เนี่ยต้องเป็นจิตที่ขั้นต่าเนี่ยคือต้องปราศจากนิวรณ์หรืออกุศลแล้วการอุทิศส่วนกุศลนี่ใช้หลักเดียวกันไหมครับหรือว่าการอุทิศส่วนกุศลนี่แม้จะมีความฟุ้งอยู่คือนิวรณ์อยู่ก็ยังสามารถอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่เสียชีวิตได้ได้ผลกว่ายังไม่เจอที่ผู้เจ้าพูดไว้แต่คิดว่าน่าจะใช้หลักเดียวกันกับหลักการแผ่เมตตา น่าจะใช้หลักเดียวกันนั้นเวลาเราทําตรงนี้ก็ควรจะใช้หลักก็คือให้จิตเราเนี่ยปราศจากอากุศสนก่อนจันต่อนะครที่แผ่เมตตาแล้วที่ตรงสนแล้วนะฮะนี่การแต่งบุญเราบาคนเขาบอว่าไปทำบุญมาถ้ะอาจารย์เคยพูดตรงนี้บอกว่าทําบุญเผื่อกันไม่ได้นี่เข้าใจอ่าต้องทำเองเหนะฮะนี่เราทําบุญมาแล้วเราไปแต่งให้คนอืน่นมีผู้ชนะรับรอง พูดเาทมาแล้วเราไปถึงบ้านบอกัแบ่งโบราณพูดยเลยอย่างนี้มีพูด็น่ารับรองว่าได้หมก็คือการแบ่งเนี่ยก็คือการมามาบอกกุศลให้ทราบนะมันก็คือไม่ได้ไม่ได้ไปแบ่งอะไรคือบอกความเป็นกุศลให้ทราบแล้วคนฟังเนี่ยชื่นชมอนุโมทนาในกุศลนั้นไหมอ่าเขาก็จะได้ได้ปิติได้การอนุโมทนาอ่าได้จุดนี้ใช่ไหม อ่าฮะอ่าใช่ใช <c ười> <c oughs> การที่การที่ญาติของเรามาบวชและตั้งใจประพฤติปฏิบัติเ <c oughs> มื่อญาติพี่น้องเราที่อยู่ในครอบครัวนะระลึกได้ถึงเราเนี่ยผู้เจ้าบอกนี่ก็ยังมีอ น, นิสงส์นะ่ะเพราะรู้สึกถึงว่าโอลูกฉันเนี่ยตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะบวชเป็นอริยบุคคลเป็นคนดีเป็นพระที่ดีอะไรอย่างนี้แค่นี้ก็จิตชื่นใจอารมณ์ปิติพวกเนี้ย สุขพวกนี้เป็นอารมณ์ของสุขติโลกสวรรค์ศรัท ธ, ธานะที่จะไปเหมือนกับที่พระุทธเจ้าบอกอันนี้สงฆาประการที่นักบวชผู้มีศีลเข้าไปในบ้านเลนผู้ใดอันดับแรกก็คือการมีจิตเริ่มใสในใ น, นักบวชผู้มีศีลจะทําให้เกิดปิติเกิดความสุขเป็นไปเพื่อสุขติโลกสวรรค์ซึ่งจะไปสอดรับกับที่ไปสังเวชนียสถาน4จิตเขาจะเริ่มใสนะจะเกิดปิติเกิดความสุข ผู้เจ้าจึงบอกพวกเนี้จะไปสุ่ติโลกสวรรค์เขาต้องทำเองอ่าฮะเป็นหลักเลยใช่เขาต้องทำเองเป็นหลักโฆษณาเองอะไรมันจะได้ใช่ใถ้าเราเอาบุญไปบอกแล้วเจียดมันมันมาพูดก็อกูส่นอีกอ่ะใช่ไหมอ่ามันก็ไม่ได้อ่าฮะ เปรียบเหมือนกับคนที่กินผลมะเดื่อค่ะมันมันยังไงคะไม่เข้าใจอ๋อเราเราก็เกิดมาในยุคไม่ทันคนกินมะเดื่อนะแต่ถ้าถ้าดูลักษณะที่เท่าที่เคยได้ฟังคนเท่าคนแก่เนี่ยก็คือกินแบบกินทิ้งกินขว้างกินสุลุ่ยสุลายนะเหมือนผลมะเดื่อเนี่ยกินทิ้งกินทิ้งอย่างเนี้ยมันเยอะแล้วมันก็มีเนื้อมีอะไรนิดหน่อยแค่นั้นกินๆแล้วแบทิ้งนะอ่า แล้แล้วก็ที่ไม่รู้อ่านนามแล้วจําไม่ได้ที่บอกว่าพระไม่ให้รับบินสบาตคนที่ให้ <c oughs> คนที่ใส่บาตรไม่ให้อยู่สูงกว่าพระใช่ไหมคะมีใช่ไหมคะนี่มีที่นั่งอยู่สูงกว่าค่ะนั่นฟังธรรมฟังธรรมฟังธรรมถ้าถ้าใส่บาตรเี่ได้ใช่ไหมฟังอใส่บาตรไม่มีข้อจํากัดกับคารวาะเลยไม่ว่าคารวาะแม้แต่นิดเดียวเราเป็นผู้ไปขอขอให้ใส่ก็พอละ ก็ธนาคารไม่กล้าว่าให้เงินพระเนี่ยบาปไหมให้เงินพระบาปไหมใช้เงินพระเลยแต่ถวายกับเงอ่าฮะพระรับมาพระบาปโยมาไม่ได้มีบาปอะไรเพราะพระมีหน้าที่ที่จะจัดแจงวิธีรับให้ถูกต้องตามที่พระเจ้ากันญัติแต่ถ้าไม่จัดแจงรับเองก็บาปพระเนี่ยบาปแต่โยไม่ได้บาปอะไรอย่างโยบางคนเนี่ยเอาเงินทุใส่ในบาปอ่าฮะ ซึ่งท่านก็ปฏิเสธไม่ได้เไงโยมบารได้ผู้เจ้าให้พระปฏิเสธ <c oughs> ในนิสสคีปจตีข้อที่สิในศินปฏิโมกเนี่ย <c oughs> พระราชาส่งทูตมาเอาเงินมาให้ทูตบอกเอาเงินเนี้ยไปทําจีวร น, นะพอทูตมาถึงพิสูจน์ไม่เอาเงินไปทําจีวรให้แต่เอาเงินเนี่ยมอบให้กับพิสูจน์เลย <c oughs> พิสูจน์ต้องพูดว่า <c oughs> พวกเราหาได้รับทรัพย์สําหรับจับจ่ายจีวรไม่พวกเรารับแต่จีวร อ, อันเป็นของควรโดยการเห็นนะ พระต้องมีหน้าที่ปฏิเสธและพูดอย่างนี้น ะ, <ป>ะอ่าเพราะ ท, <c oughs> ที่ที่ท่ารับเงินเนี่ยท่า น, นก็รู้รู้เป็นศินในปฏิโมกที่พระเจ้าบอกว่าถ้าภิกษุใดฟังปฏิโมก2ีถึงสคราวมาแล้วจะปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้อืมแต่เราก็รู้อาฮะรื <c oughs> ่องเงินเนี่ยเราไม่มีอะไรจะใส่พอดีนะครัก็เอาเงินใส่ประจํ อา่าอ่าะอ่าฮะแล้วอย่างมีไข่บาทเราก็รู้ไงว่าใส่เงินแล้วบาะอ่าแต่เราเอาเงินจากอ่าก็พระพระต้องปฏิเสธอ่ะอย่างถ้าอาตมาไปเจอเขาก็อาตมาเดินบินทบาทเขาขี่มอไซค์มาเบรกอี๊ไม่ได้เตรียมอาหารเลยครับหยิบเงินมาปุ ah ๊บจะมาใส่มาก็บอกอบินทบาตรับแต่อาหารน้ําไม่ได้รับเงินอนุโมทนากับโยมน้ที่โยมได้อ่า ตั้งใจมีจะค่ามีความเสียสละอะไรเนี้ยนะแต่แต่ไม่ได้รับรับเฉพาะอาหารนะถ้าจะทําก็เอาไปให้วายาประชากรที่วัดเนี่ยวัดอยู่ตรงเนี้ยตรงทิวสนเนี่ยขับไปตรงนี้แล้วกันเนะี่ยอันนี้ก็ชี้ทางให้เขาว่าถ้าเขายังมีความตั้งใจที่จะทําก็เหมือนทูตคนนั้นเนะี่ยทูตคนนั้นพระราชาสั่งมาปับ๊บไม่สําเร็จกลับไปมือเปล่าเนี่ยโดนแน่เลย <c oughs> เขาก็ต้องขวนขวายทําให้สําเร็จเขาก็เลยถามภิกษุว่ามีใครไหมที่ทํากิจธุระแทนท่านได้ นี่ไงเขาจะต้องขวนขวายต่อไงเขาอยากทำไหมละ่ะเขาอยากทาจริงไหมใช่ไหมเสียเวลาแค่สักสองสามนาทีบิดมอเตอร์ไซค์ปื๊ดมาที่เนี่ยแล้วก็เอาเงินมาให้ไว้กับวยาพิเศษกรแล้วก็ปื๊ดไปก็เสร็จแล้วอย่างเงี้ยใช่ไ ม, มโยมส่วนร่วมจให้ทให้พระบให้พระติดอ๋อไ <c oughs> ม่พระต้องรักษาของ <c oughs> ท่านเองไะแล้วยิ่งไปทดโยมโยมไม่มีส่วนในความผิดเนี่ยพระเนี่ยเป็นคนรักษา ผิดในอยู่ที่พระไม่ได้ผิดที่ญาติโยมคือพระอธิบายให้ญาติโยมเข้าใจได้เขาไม่เข้าใจต้องชี้แจงให้เขารู้ไงอย่างนี้ถ้าโ ย, ยมรู้แล้วว่าว่าว่าว่าทำแล้วพระจะบาดแล้วโยมยังทอย่างเงี้ยโยมไม่รักษาอ๋อโยมก็ไม่รักษา <laughs> พระธรรมพระศาสนา <laughs> <laughs> ใช่ไเออ แต่คนคนบาปตรงๆคือตัวพระไงแต่ถ้าการยมสนับสนุนให้พระเนี่ยมีกิเลสเพราะว่าพะรู้ว่าพระเนี่ยก็เอาละพระก็หยวนโยมก็เลยเอ๊ะหยวนแต่โยมก็ถ้าจะรู้ว่าโยมไปทำอย่างนี้กับพระที่ทุศีนหนึ่งอนิสงก็จะน้อยสองก็จะเป็นเหตุให้เราเนี่ยเหมือนเผยแผ่กัลยาณวัตที่ผิดต่อไป พระรุ่นหลังๆก็เห็นเอ้ยทำผิดยังมีคนดูแลเลยนะพระรุ่นหลังๆก็จะเอาตามนี่มันก็พอกันเพราะฉะนั้นความเสื่อมศาสนาอยู่ที่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาสี่บริษัทโดยทั้งหมดนะมีี่บริษัทได้ที่บริษั่นมาเทให้ทานอื ขอเป็นกาแฟแล้วชง ม, มาให้ด้วยนะเอาน้ำตาลของช็อตอัน น, น, นี้อันนี้ท่านทำได้อ๋อยมยกปฏิมโมขึ้นเลยอันหนึ่งพิสูดไดไม่ใช่ผู้อาพาธขอโภชนะอันปลาหนีเห็นปานนี้อ่าคือเนยใสเนค้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยตัวน้ำตาลเนี่ยคือน้ำ อ, อนะ้อยนะอ่าโดนอาบัตไปจปิตปีนะเพราะนั้นพระไปไหนลูกเดียวไม่ได้ไไดในการเที่ยนิมนต์ท่านไปเทศอ่า ไปได้ไปได้สิเขติดกันแท้แล้วเขาจะก็จะรับยังไงเขต้องวิ่งแบบว่าโยกเต้องถวายไม่แล้วท่านเดินมาหรือเปล่าล่ะท่านก็มาถ้าเราไปรับท่านมาอ่ก็ฝากคนขับรถไปสิให้พี่วัดเออนอะไรม่มฉลาดแลยเห็นไหมแล้วก็เออเขียนกระดาษแจ้งยอดให้ท่านเดี๋ยวคนขับรถก็อุ๊บอิ๊บเข้าไปอีกใช่ไหม ต้งแจ้งให้ท่านทราบแล้วก็บอกต่อหน้าการบว่าในฉันฝากปัจจัยจํานวนนี้นะคะทำบุญกับท่านแต่ฝากคนขับรถไว้เป็นยอดเท่านั้นเท่านี้บอกต่อหน้ากันให้ทราบทั้งหมดอ่พาพระจะได้ไปทวงได้เพราะพระเจ้าอนอนุญาตให้พระทวงได้อ่าด้วยวาจาสามหนถ้าเขายังเฉย อ, อยู่ให้ไปยืนนิ่งต่อหน้าหกครั้งเป็นอย่างมากให้เขานึกได้เองว่าเขาต้องให้อะไรพระเห็ <laughs> นไหม อย่าใช้บ่อยเน๋ยวต้องทวงบ่อยก็ไม่หลงลืมหรอกคือนั่นได้แต่ละเลยคิดว่าละเลยมากกว่าก็ไม่หลงลืมหรอกคือนั่นได้แต่ละเลยคิดว่าละเลยมากกว่า แยกกันเลยเตั้งเงินใส่ในขอย่านที่นี่บริสุทธิ์พอนั่นแหละคําเนี้ยเป็นพุทธวจนะไหมให้เ้าหาพระสูตรมาสิถ้าไม่ใช่อย่าไปจําตามอย่าไปเดินตามแค่นั้นเองแค่นะนั้นเวลาใครพูดอะไรมาพระเจ้าบอกว่าอย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านจําให้ดีนะเขาพูดอะไรแล้วเอามาตรวจสอบในหลักธรรมหลักวินัยของจตถาโคตรเก่อนเข <c oughs> ้ากันได้ไหมถ้าเข้ากันได้ลงกันได้แสดงว่าเขาจํามาถูก ถ้าเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้แสดงว่าเขาจำมาผิดให้ละทิ้งคำพูดนั้นไปอย่าไปสนใจแค่นั้นเองนะนี่เรียกว่าหลักมหาประเทศสี่หลักในการตรวจสอบป้องกันความเสื่อมในธรรมวินัยของท่านไม่ใชใครพูดมาเราเชื่อหมดเหรอไม่แต่พระพูดมาพระเจ้ายังไม่ให้เชื่อเลยจําดีๆเขาพูดอะไรแล้วก็เอาไปตรวจก่อนนะของคุณครับก็เรื่องทวีปก็เลยไปค้นดูครับก็จริงๆ้วย่องคำว่าทวีปเขาจะใช้วัตทีปานังนะครับก็จะใช้เฉพาะ เพราะชมพูทวีปเท่านั้นนะครับก็ในคราวนี้ก็เลยคนก็เจอพระสูตรที่บอกว่าพระมหาจักรพรรดิเนี่ยจะได้ของทวีปทั้งสี่อันนี้เราก็ปังนพงไม่ได้ว่าอทวีปทั้งสี่นี่คือทวีปไหนบ้างใช่ไหมครับตอนี้พระมหาจักรพรรดิตัวนี้อบาลีใช้ทีปานางเหมือนกันไหมใช่ครับใช้ใช้จับจับตุนนางทีปานางครับอก็คือเป็นทวีปทั้งสี่า่นั้นก็อย่างน้อยก็เป็นในในเรื่องของชมพูทวีปละนะตอนนี้ อี่ชมพูทวีปหรือเปล่าเลยอ่าท่านี้ท่านี้ก็ต้องไปดูในทวีปทั้งสี่เนี่ยก็จะมีเรื่องของมหาสมุทรจดมหาสมุทรนะอ่าอันนี้อีกท่านี้เรื่องของทวีปเนี่ยมันอาจจะเป็นสองนัยยะคือทวีปในในชมพูทวีปในแต่ละอันเนี่ยที่เป็นแบบลักษณะพื้นทันดินท่า น, นี้ต้องไปดูที่พระโมคคานะที่จะพลิกแผ่นดินอีกดูสิว่าท่านใช้ทวีปพออืนนี้หรือเปล่าอย่างเนี้ย ที่ว่าพลิกแผ่นดินเนี่ยต้องเทียบเพียงอ่านะนะต้องต้องหาอ๋อแล้วแล้วก็มีสงสัยต่อคดีเจอพระสูตรนี่เขาบอกว่าที่พระโสดาบัานกับมหาจากักรพรรดินะครับคือเป็นเซี่ยวในเซี่ยวที่สิบหกนะครับทําไมมันเป็นสิบหกทำไมไม่ไม่แบบว่าผงป <ผม S 2> ลายเล็บกับหมหาจากักรพรรดิคือเป็นตึงโซนสิบหกครับคือแต่ว่ามหาจักรพรรดิี่มันก็ มีความสำคัญด้วยถึงว่าเทียบแค่หนึ่งต่อสิบหกเองครับอืออือใช่คือมันหนึ่งต่อสิบหกมันยังพอมีนยัยะสําคัญอยู่นะครับอาา่อาฮะอ่าฮะใช่ใช่ใช่ก็คงคงจะเป็นที่ผู้เจ้าเห็นว่ามันมันน้อยก็จริงอ่ะแต่มันยังนิดหนึ่งอ่าอ่าก็ก็ยังพอมีแต่ถ้าอย่างนะอ่าเสศจดินปลายเล็บกับมหาปตัตพีโอ้โหมันมหาศาลมาก พวกเนี้จะมีจะมีนัยยะสําคัญหมดนะการต้องหาจักรพรรดิก็คงเป็นยากเหมือนกันใช่ไหมเป็นยากเป็นยากเ<ๆ>พราะเวลาพระเจ้ามาเกิดเนี่ยพระเจ้านับชาติของมาจักรพรรดิด้วยนะแต่ไม่นับชาติของพระราชาพระราชานี่ถือว่าธรรมดามากไม่ไม่นับว่าจะเป็นพระราชากี่ครั้งไม่ไม่นับเลยบอกอย่ากล่าวถึงความเป็นพระราชาธรรมดานี่นับพระมหาจักพรพรรดิกี่ครั้งเท้าสกตะเทวราชกี่ครั้งมหาพรหมกี่ครั้งที่ก่อนจะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ย อ่าเป็นยากมาก <c oughs> พระมหาจากักรพรรดิพระเจ้าถึงให้สร้างเจดีย์ให้นั้นบุคคลผู้ควรสร้างเจดีย์เนี่ยก็คือหนึ่งอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอราหารันตและพระมหาจากักรพรรดินะแล้วพระมหาจากักรพรรดิเนี่ยจะได้อะไรลักษณะมหาบุรุษสามสองประการพระมหาจากักรพรรดิไม่ธรรมดา <c oughs> เผลอๆพระมหาจากักรพรรดิเนี่ยจะเป็นพวกที่เป็นโพธิสัตว์ที่จะสร้างบา ร, รมีมาเป็นพระพุทธเจ้า อ๋อมีคุณธรรมที่พู้เจ้าบัญญัติว่าการเป็นพระมหาจักรพรรดิเนี่ยจะเป็นยังไงก็จะคือจะครองความเป็นใหญ่ในทวีปทั้งสี่นะ <c oughs> แล้วก็แผ่นดินเนีย่ยมหาสมุทรจดมหาสมุทรและจะปกครองโดยธรรมไม่ต้องใช้อาชญาใช้ธรรมะอย่างเดียวนะทำให้แบบว่าอาณาจาักรเนี่ยแผ่ไพศาลได้นะ <c oughs> <ม> ก็คงคงต้องสร้างสร้างบารมีขึ้นมาโดยธรรมเนี่ยอ๋นนอคงคงไม่คงคงอัดไม่เพราะว่าถ้าลูกสมมติลูกของพระมหาจักรพรรดิแล้วมาสืบต่อแล้วจะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิต่อเนี่ยจะเริ่มไม่ใช่ละอาจจะมี มีอันนึงที่พระมหาจากักรพรรดิเนี่ยจะมีพวกช้างแก้วม้าแก้วจักรแก้วอะไรเนี่ยแล้วจะมีว่าถ้าองค์เนี้ยทำไม่ดีมันจะเริ่มสูญหายมันจะเริ่มเริ่มเสื่อมอ่านั้นทรัพย์ของพระมหาจากักรพรรดิเมื่อทำไม่ดีปุ๊บจะเริ่มเสื่อมเพราะนั้นถ้าคนบา ร, รมีไม่ถึงเนี่ยก็จะไม่ได้ อ, อยู่ที่บา ร, รมีของคนนั้นด้วย พรพัฒน์นีครับถ้าในอย่างในประวัติศาสตร์เรามีไหมครับในประวัติศาสตร์เราก็จะเรียกพระมหาจากักรพรรดิแต่ก็ถ้าเทียบกับที่พระเจ้าจัดเนี่ยยังไม่ใชย่ยังยิ่งใหญ่ไม่พออ่ายิ่งใหญ่ไม่พอในระดับที่พระเจ้าบัญญัตินะวีวนเป็ น, ปนยังไงครเช่นอังกฤษยุคสคงคมโลกนี่ใช่ยันญี่ปุ่นเลยอย่างเงี้ยอ่ามาสมุทรแอตแลนติกยันแปซิฟิกเลยอย่างเงี้ย <laughs> ใหญ่มาก ก็อันเป็นพระมหาจักรพรรดิหรือเปล่าครับอ่าฮะอะใช่ก็ตัวเป็นลักษณะอย่างนั้นใช่ในยุคเราที่ผันผ่านมาก็ยังไม่ค่อยเคยเจอนะมีแต่แบบเฉียดเฉดเนี่ยอะไรแบบอเล็กซานเดอร์มหาราชอะไรอย่างเงี้ยเกือบเกือบอย่างเงี้ยแต่ก็แต่ก็ยังใช้อาจียาไงแต่ถ้าพระมหาจักรพรรดิเนี่ยไม่ต้องใช้อาจียาอ่าใช้ธรรมะแสดงว่ายากมาก คนเราจะมองมองมุมไม่ออกใช่ใช่เพราะการเป็นจักรพรรดิต้องต้องแบบใช้อาจารย์่าใช้แบบอาส่วนใหญ่เราจะได้เห็นแต่มุมนั้นไงเราเรามองมุมไม่ออกว่าคนนี้ดีจนกระทั่งอยากเป็นเมืองขึ้นเมืองนี้เลยเกินอยากอยู่กับเมืองนี้อยากอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์องค์นี้อย่างเนี้ยแอบเพราะฉะนั้นมุมของความดีเนี่ยดีมากจนกระทั่งอาณาจักรเนี่ยแผ่ภัศาลไปเนี่ยขนาดนี้ อ่ยั ง, ไ ม, ย ไ, งไม่เคยเจอไงเพราะว่ามนุษยุคนี้เนี่ยเป็นยุคขาลงเราจะไม่ค่อยเจอคือศิลธรมรมภาพรวมเนี่ยจะเสื่อมเสื่อมเสื่อมเสืมลงมาเรื่อยๆอืมก็นะฮะอย่างเล็กซานเดอร์ก็คือเราไม่สามารถเอ่อถ้าถ้าไม่ยึดด้วยด้วยอนาจเนี่ยนะฮะอคงงยากมากอย่างเล็กซานเดอร์เนี่ยครึ่งนึงด้วยอำนาจส่วนครึ่ง <ๆ S 2> หนึ่งเนี่ยเขาซิโรล่าเราเพิขึ้นเนี่ยอ่ย่างนี้ถือว่าเข้าข่ายก็ยังยังไม่เข้าข่าย พอผู้เจ้าจะบอกเลยระดับมหาจักรพรรดิเนี่ยคุณสมบัติจะยังไงยังไงบ้างแล้วลักษณะก็จะต้องได้ลักษณะของมหาบุรุษด้วยนะอย่างอ่าโงเห้งเนี่ยต้องแปลก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องครบยังไม่มีกาถามเรื่องสิบหกเซี่ยวเนีสหกส่วนิหกเซี่ยวนี่งก็ ก่อนที่เปิดทําได้อะคเญร์หนังสือเล่มหนึ่งจำไม่ได้ว่าเล่มของของไท ย, ยว่าการากาโโรักษาอุโบสถกับการที่เป็นทระเป็นพระราชาเรื่องพระประจักษพัดเนี่ยะครับเทียบกันสิบหกเซี้ยวของสิบหกเซียนี้ือเป็นพระราช า, า, า, าโโเนี่ยถ้ารักษาอุโบสถเนี่ยราชาก็เท่ากับเซียวหนึ่งของสิบหกเซียวของอุโบสถเท่านั้นใช่ไหมแ<ะ>ต่<า>ในความหมายที่ผมอ่านเร่อหนึ่งต่อหนึ่งก่อนนะครับแล้วแบ่งเป็นสิบห แล้วเอา16เนี่ยมาแบ่ง16อีก16อีก16 16ครั้งไม่จะแบ่ง16คือเที่ยวที่หนึ่งเนี่ยเท่ากันคือ1ต่อ1ก่อนแล้วเอา1ต่อ1มาแบ่งเป็น16เซียวแล้วเอาเซียวของ1 16 16มาแบ่งอีก16ครั้งถึงจะเรียกว่าเซียวหนึ่งของ16นะการรอกษาจไม่ได้คำว่าอ่านกันถงไรอ่ฮะอ่ะฮะน้องกานออออ ก็จะมีสัมนวนหลายๆสัมนวนอย่างเช่นว่าเอาขนทรายมาผ่านแล้วเจ็ดแหล่งอ่าอย่างเงี้ยแล้วแทงขนทรายด้วยปลายเข็นขนทรายอันเนี้ยยากกว่าการยิงลูกศรรอดช่องดานแต่การแทงตลอดซึ่งอะิสสาสีนั้นยากกว่ายากกว่าเอาขนทรายแทงด้วยขนทรายเขาเองการ <c oughs> เป็นสุาบันยิ่เป็นง่ายการเป็นสุราบันเหรอ มันก็ยากงการรู้บริษัทเนี่ ย, ยมันก็ยา ก, ายยากใช่ใช่ใช่ก็ขนทรายผ่านแล้วเจ็ดแรกว่ายากแล้วใช่ไหมรู้อริษัทยากกว่าการรู้บริสัทเนี่ยก็คือการเป็นโสดาบันไงนง่ายกว่าเป็นอ๋ออ่อาฮะอ่าฮะอ่าฮะถ้าเทียบจํานวนใช่ไหม อืออืออ่าอ่าอืออ า, าะใช่แต่คนเป็นสวราบการอาจจะเคยเป็นแจกพัทมาแล้วก็ได้นะนะแต่ถ้าดูแค่เนี้เหมือนเกิดยากกว่าใช่หนังสืออริยวินี่เป็น้วจนะัด่าไม่ใช่้ต้องยาก เรือกยังไงก็คือในนั้นเนี่ยทำไว้ให้ว่าอาในส่วนของปฏิโมกเนี่ยจะตีกรอบไว้ให้ในกรอบนั้นเนี่ยอาจจะเป็นพุทธวจนะนอกกรอบเนี่ยจะเป็นอัตถกถาส่วนในกลุ่มอภิสมาจารย์เนี่ยคําที่เป็นตัวอักษรตรงเนี่ยจะเป็นพุทธวจนะอักษรเอียงเนี่ยจะเป็นอัตถกถานะก็จะจะแยกอักษรไว้ให้นี่เลยอาา่อ า, า, อาจจะจะบอกบอกวิธีในการใช้หนังสือไว้หน้าแรกๆ แก้ด้วยวาจาลงด้วยวาจาได้ลงไม่ได้ก็คือแค่ปาราชิกสี่ขาดจากความเป็นพระสังฆาทิเศษสิบสามข้ออันนี้ก็ลงด้วยวาจาไม่ได้ต้องอยู่กรรมประพฤติมานัดออกอับภาลสามขั้นตอ น, นอส่วนที่เหลือนอกนั้นทั้งหมดอีกเป็นพันพันข้อเนี่ยลงด้วยวาจาได้หมด <c oughs> าาาารู้สึกตื่นเด้นเพราะว่าเกิดมาในในชาติเนี่ยไม่ไม่เคยทานอ่าะวรรค์แล้วก็ทำกับข้าวแล้วก็ทำไม่เห็นว่าผ่านก็รู้สึกว่าใกล้ชิดพบกจะมากขึ้นจริงจริงตรงจุดนี้ก็คงอยากให้ทุกคนได้สดใช่ใช่ถิงบอกมันเป็นสัจจะความจริงอ่ะอสนุ ก, นกจริ ง, รงๆเนะี่ย เราใช่เราเก็บประเด็นเท่าที่เรารู้เราเข้าใจแค่นั้นนะตรงไหนที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจเขาปล่อยไปก่อน<ม>เพราะมันคือภูมิปัญญาทั้งทั่ว โ, โลกทาทัเลยน ะ, ะมันยากมากแต่ใคร<ม>ว่าทำไมถึงจะได้ดแต่สรู้ได้หมดอ่าฮะอือใช่ใช่ถ้าเราแปลผิดแล้วเข้าใจผิดเนี่ยต้องต้องไม่ต้องต้องต้อ ง, อ ง, อ ง, องหลุดความเข้าใจ อ, อ่ะฮะคือถ้าถ้าถ้ามีการแปลผิดปั๊บเนี่ยพระสูตรจะเริ่มขัดกั น, อ, น, นอ๋นน อ, อา่ถ้าเข้าใจผิดก็บางทีเราจะเกิดรู้สึกเองว่ามันไปสะดุดกับพระสูตรนั้นพระสูตรนี้มันขัดใช่คำพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกันละเอียดอะ่ะถ้าตรกกะเราผิดไปนิดนึงเนี่ยมันจะไม่เชื่อมต่อกันละเราจะรู้สึกเองว่าเอ๊ะ มันอาจจะไม่ใช่อันเนี้ยอย่างเนี้ยอ่าอ๋ออ๋อใช่คือจัดหมวดหมู่จัดหมวดหมู่ <c oughs> หมวดหมู่ธรรมที่เป็นพุทธวจนะนะอ่า ใช่ครับขอเมื่อกี้บอกว่าเข้าใจผิดกันทีนี้ก็ยงีอนที่ว่าจะในาเนี่ยแล้วก็บอกว่าานคให้คอยสือ่นี่ม อยากจะอายุยืนอยากตามสิ่งที่ท่านมเียนเนี่ยเียสา่ับอย่าบานไม่ใช่แค่ว่าานอมก็เลยไม่อยู่อ่าก็เนื่องจากยุคที่พูะเจ้ามาเกิดเนี่ยเป็นยุคมนุษย์อายุร้อยปีการจะจะอยู่ต่อไปด้วยการฝืนสังขารเนี่ย ซึ่งท่านก็ตัวกายเน่าที่พงษ์บอกกายพระองค์เป็นกายเน่าเนี่ยมันก็อายุไขเพียงแค่ร้อยปีมันก็มีความชราภาพไปอย่างนี้นั่นมันมันอยู่ได้แต่มันจะอยู่แบบไหนอ่ะใช่ไหมอันนี้มันก็จะเกินอาจจะเกินวิสัยที่เราจะทราบแล้วใช่ไหมเพราะมันเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าล้วอย่างเนี้ยซึ่งพระพุทธเจ้าก็บอกเป็นหนึ่งในอจินตายที่ไม่ไม่ต้องเข้าไปไข้กวน ก็คือผู้เจ้าเราน่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ว่าเหตุที่จะทําให้อายุยืนยาวเนี่ยก็คือการเจริญอิทธิบาท4ี่ใช่ไหมเพราะมันสามารถให้ทำให้เนี่ยอายุยืนยาวไปได้นะมากขนาดนั้นแล้วก็จะบัญญัติเหตุให้อายุยืนนะเช่นว่าหาลู้จักทําความสบายให้แก่ตนเองนะประมาณในสิ่งที่สบายนะบริโภคอาหารย่อยง่ายเที่ยวไปในการที่สมควร นะแล้วก็เป็นผู้ประพฤติดังพรมนะนะก็คือเจริญเมตตาภาวนานี่ก็เป็นเหตุทาอย่างที่ทำให้อายุยืนนะใช่คงจะอยู่แต่ยงว่าผู้เจ้าเนี่ยมีญาณอย่างรู้ทราบล่วงหน้าไหมว่าถึงจะแสดงพระนนท์ก็คงไม่ทุนแต่ก็แสดงให้เหมือนเป็นการสร้างเหตุให้เฉยๆอย่างเนี้ย ก็รู้แล้วว่าอะไรจะเป็นอะไรแต่ก็สร้างเหตุสร้างเหตุเพื่ออะไรเพื่อจะตอบกับพระ น, น์ว่าเนี่ยถ้าคนจเจริญอิทธิบาทสีเนี่ยนะมันจะอยู่ได้และตัวอิทธิบาทสี่เป็นผลของการมีอายุยืนจะคล้ายๆภาษาลิบุตเหมือนกันนะก็รู้แล้วคำตอบจะเป็นอะไรแต่ก็ยิงคำถามไปยิงคำถามเพื่อให้ผู้เจ้าเนี่ยตอบมาเพื่อให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยทราบโดยทั่วกันอย่างนี้ จะมีการทรงจํากันไว้ไงพอผู้เจ้าสร้างเหตุตรงนี้ปั๊บพระนนมีการโต้ตอบกับพระนลปั๊บเนี่ยนะก็จะมีการทรงจําพระนนก็จะทรงจําด้วยตัวเองถามอะไรผู้เจ้าตอบอะไรก็จะได้ธรรมะมากขึ้นอย่างเนี้อ่ะฮะอ่าใช่อืม อ่าก็ตัวนั่นนะจิตตะจะว่าเป็นสมาธิก็ได้น่ะอยู่ในนั้นอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันใช่ช่อ่าความตั้งใจมั่นเนี่ย อ่อสนห้าแล้ว huh. ย uh ังไงนะ่าเอกเาร้า huh. ม uh ึกอ่าเวาข้ามตึกเราไปจ้าวงานเองพวกแบน้ำบอลนท่าี่แล้วน้ำบอลน้ำท่เข้ามาเข้ามาเนี่ยเขเดินเข้ามาเนี่ยอาจเรารู้แน่นอนต้องต้องตายังศาอ่าาเข้ามาาเจอยุงเขต้องตกยุงอือือ ก็ไม่ไม่น่าเกี่ยวใช่ไม่น่าเกี่ยวอ่าไม่ยังนมันก็กลายเป็นว่าการกินของเราก็เป็นเหตุให้คนอื่นฆ่าสัตว์ดูมันจะโยงไปกันยาวเลยใช่ไหมนั้น อ, อ, อ, อ่าอ่าอ่าอันนั้นเขาต้องพิจารณาเองหาวิธีแก้เองว่าเขาจะย้ายรังเขาจะทําอะไรต่ อ, อะไรนั่นคือเป็นหน้าที่ของเขาละอ่าหน้าที่ของเราก็คือเราบอกว่าเราจะสร้างตึกที่นี่แหละ แต่เมื่อสร้างตึกแล้วเนี่ยเขาจะถมที่ทำมดตายทำปลวกตายหรือว่าต้องโค่นต้นไม้นกไม่มีรังลูกนกตกลงมาตายอะไรอย่างนี้ก็ไม่เกี่ยวกับเราละอันนั้นคือเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะต้องพิจารณาอย่างนี้แต่เราไม่ได้ไม่ได้สั่งฆ่า เราไม่ได้สั่งฆ่าพู้เจ้ายังเคยบอกว่าพระองค์ไม่ได้สั่งว่าสัตว์ชื่อนี้จงมาตายชื่อนี้จงมาตายอย่างเนี้ยก็พิณาแค่นั้นนะอย่างเง้ยมันจะกว้างมากอะ่ะนะแต่ทำสงครามก็ก็เป็นการให้ให้ชีวิตลบตายโดยตรงเลยนะก็จะเหมือนกับการฆ่าเครื่องประหานเนี่ยพระเจ้าก็ไม่ทำอาชีพนี้ อย่างเนี้ยอ่ามันเกี่ยวกับการเบียดเบียนชีวิตโดยตรงอย่างเนี้ยอืม <c oughs> <c oughs> อืม <c oughs> สมรประธานสี่การความเพียรน่ะความเพียรสีสถาน อันเดียวกับสัมมาวายามะพระหา้ะหากับอินทรีห้าก็จะเหมือนกันก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแต่ตัวอินทรีห้าจะแตกไปเป็นเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจอินทรีความเป็นใหญ่ในช่องทางนั้น อนะอ่าฮะดีเราจะได้เผยแผ่ในสิ่งที่ถูกต้องแต่ก่อนอ่าฮอ่ า, อาเป็นแล้วถ้าทุกคนเนี่ยศึกษาพุทธวจนะแล้วเนี่ยแล้วมานั่งคุยกันถกกันเนี่ยผู้เจ้าก็จะเรียกว่าเป็นพวกปฏิปุจฉาวินีตาปริษาโนอุกาจิตวินีตาจะเป็นบริษัทที่เลิศที่สุด โยมก็จะเห็นแง่มุมหนึ่งคนนี้จะเห็นแง่มุมหนึ่งนะเราจะแง่มุมมาเชื่อมต่อกันธรรมะมันจะแผ่กว้างออกไปเราจะแตกฉานมากมก็เป็นอีกลักษณะเรียกว่าเป็นการแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นก็ได้คือใครควรติดตรึกในคำของพระศาสดาเราจะเห็นถึงความเป็นพรมพระศาสดาเนี่ยเป็นคาที่เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละ เจออะไรบ้างไหมเยอะมากเับ่ยอันนี้ฮอลลีวูดอายเลยเนี่ยสตาร์บอเนี่ยมันต้องมาเอาตรงนี้แล้วแล้วเป็นเป็นเรื่องเรื่องที่มีมันไม่ได้จินตนาการแต่งขึ้นมันมีมูลเหตุเนี่ยเป็นเรื่องจากมูลเหตุ อันนี้จะดีมากเลย uh huh. อ่าฮะจะมีที่ที่ผู้เจ้าบอกตัวเป็นมนุษย์หัวเป็นปลาในพวกพวกอสุรกายอะไรอย่างนี้นะแต่นี้ที่เราไปเจอไปเจอใน แกะสลักในปิรามิดอะไรเนะี่ยที่เป็นตัวมนุษย์แล้วมันหัวเป็นสัตว์เป็นอะไ ร, นะนรเ น, <laughs> นี่ยนะมาแล้วเชื่อมโยงกันแล้วในสังสารอันเดียวกันใช่ท้าเกับว่าพูะเจ้าเนี่ยพูดเรื่องมนุษย์ต่างดาวไว้แล้ว แต่ท่านมีบัญญัติสั์ของท่านนะอ่าระว่าตอนนี้เราเชื่ อ, อ, อมโยงกับารศึกษาธอ่าฮะอ่าอนั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ที่เรียกว่าเขาคุยกันมาตั้งสองพันกวน่าปีแล้ว่อฮะก็จะผู้เจ้าก็จะชี้ปไปเลยว่าเป็นอะไรอสุรกายเป็นอะไรเป็นอะไรเป็น มนุษย์ในอนมรคโยยานทวีไปอย่างเงี้ยก็จะชี้ไปเลยนะไม่ไม่พูดคลุมคุมแบบเราอย่างของเราในยังพูดคลุมคลุมอามนุษย์ต่างดาวอย่างเงี้ยใช่ไหม <c oughs> เพราะเราไม่รู้ว่าอาธรรมชาติอย่างนี้ควรจะเรียกอะไรเนี่ยอืมผู้เล่งกายคือ อาา่อาฮะอะไม่ไม่เข้าใจคําคําแป ล, แปลอาา่ามันมันหมายถึงอะไรเะอ๋อผู้ไม่ปรากฏกายน่าจะเป็นลักษณะกายไม่งามหรือเปล่าอ่าได้ได้กายไม่งามอ่าแล้วอสุรละอา่ากายไม่ดีได้กายที่ไม่ดีไม่งาม เหมือนสุภาพกับอสุภาพสุภาพก็งามนะอสุภาพก็ไม่งามนะแต่ผเีเป็นคำไทย ม, มันกว้างมันเป็นคำกว้างอ่า ราเปรตก็ไม่ใช่อาจารย์ครับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดศาสนาพุทธคริสต์ลาไม่ใช่ว่าผู้จาพูดแต่ครอบคุมทุกคนในโลกนี้ครอบคุม่จะนับถือศาสนาหือก็ใช่ในโลกนี้ก็ต้องเิดอย่างีเจ้าได้ใช่ ใช่ใช่ใช่เหมือนกัน ค, คืออ่าคือพระเจ้าไปค้นพบสัจจคของธรรมชาติไงไม่ไม่ได้ไปค้นพบอะไรนะเป็นมนุษย์ไมหมล่ะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจไหมมีมันจะเป็นอย่างนี้เหมือนกั น, น, กนใช่ฝรั่งมีลูกตาไหมมีผัสสะมีเวทนาพอใจไม่พอใจไหมมีตัณหาไหมมีมันจะมีหมดพระเจ้าอธิบายระบบการไล่ลำดับการเกิดของธรรมชาติ และระบบการทํางานของวิญญาณขันที่ทํางานกับรูปนามมาทํางานกันยังไงนะไม่ได้สนใจว่ารัฐที่ไหนจะพูดยังไงแต่ผู้เจ้าเข้าไปเห็นความจริงแล้วก็บรรยายความจริงนี้ออกมาอย่างเงี้ย <c oughs> เพราะว่าไม่ได้เข้าไปเห็นจริงผู้เจ้าบอกความต่างของคําสอนเพราะอะไร <c oughs> เพราะทิฏฐิหกสิบสองมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยมีความเห็นไม่เกินหกบสอแบบคนบัญญัติอย่างนี้เพราะเหตุปัจจัยอะไรนะเช่นบางคนเนี่ย มียาอย่างรู้ดีดไปได้แสนชาติก็มาบัญญัติว่าอัตตาเที่ยงอะไรอย่างเนี้ยหรืออัตตาไม่เที่ยงเพราะเขารู้แค่นั้นเขาเลยบัญญัติออกมาแค่นี้ใครรู้เลยไปกว่า น, นี้ก็บัญญัติออกมาอย่างหนึง่งนะตามเหตุปัจจัยแต่ละคนผู้เจ้าจะบอกเหตุปัจจัยหมดนะแล้วก็บอกวิธีแก้อ่ใช่ใช่งั้นถ้ากับมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยคิดยังไงเนี่ยผู้เจ้ารู้หมดแล้วนะแล้วจะบัญญัติลทัทธิอะไรขึ้นมาเนี่ยรู้หมด นะฮะใช่อ่าจากระบบตรงนี้ชใช่ใช่ใช่ ใช่เพราะการแจกแจงมาเนี่ยเพื่อให้เรารู้ว่าไม่ว่าเราจะไปเกิดในระบบใดที่มีการแจกแจงมาทั้งหมดเนี่ยเดินไปสู่ความตายทั้งสิ้นใช่ใช่แล้วเราอยากจะเวียนอยู่ในระบบพวกเนี้ยทั้งหมดเลยแล้วพระองค์ก็เลยบอกมันไม่มีประโยชน์เนี่ยที่จะเวียนอยู่ในตรงนี้เพราะเวลาสัตว์ได้การเกิดเนี่ยสัตว์ก็จะกลัวแก่เจ็บตายนะเพราะนั้นจะมีปริพภาชกอบางพวกเนี่ยเขาจะบอกว่าสัตว์ทุกพวกเนี่ย จะหวั่นไหวหวาดกลัวต่อความตาย mm hmm. นะเขาบัญญัติขนาดนี้แต่พระุทธเจ้าบอกไม่จริงไม้จริงเพราะอะไรพระุทธเจ้าบอกสัตว์ที่สิ้นตัณหาแล้วเนี่ยจะไม่หวั่นไหวหวาดกลัวต่อความตายนะแต่ถ้าสัตว์ใดยังไม่สิ้นตัณหาเนี่ยจะเป็นอย่างที่ปริภาชพูดนะนั้นคําพูดของใครที่บัญญัติอะไรขึ้นมาใหม่เนี่ยโยมมันจะมีรูรั่วช่องโหว่ข้อผิดพลาดที่คนสามารถแย้งไดนะ้แต่คําพุทธเจ้าเนี่ยพระ อ, องค์บอกเลยว่า ไม่มีรูรั่วช่องโหว่นะไม่มีสมณพราหมณ์ผู้รู้ใดๆมารพรมคัดง้างหรือติเตียนได้เลยนี่คือความร้อยเอร์เซ็นของคํำภาษาสดาการบัญญัติการบัญญัติในรุตติคือภาษาคนที่บัญญัติเนี่ยคือศาสดานะเพราะนั้นสาวกเนี่ยหมายถึงผู้ฟังคําสอนแค่นั้นใช่ อ uh huh. พราะฉะนั้นเนี้ยเขาก็ไม่ได้ว่าเขาก็ต้องเดินตามศาสนาโดยที่รู้ว่าศาสนาแบบพระเจ้าได้ได้จากกันไหนใช่ใชมั น, ม, นมันเหมือนกับไม่ได้ลึกซึ้งกับการในนชีรีเทวพุทธศาสนาอืมที้ถ้าเข้ามาไข้ควรเนี่ยเขาก็จะรู้ได้ถ้าเขาไข้ควรลึกซึ้งในคําสอนของเขาเองนะ uh huh. เขาจะจะเริ่มเข้าใจเช่นเห็นในความขัดแย้งกันของคําสอน เห็นในการที่ว่าพอสุดไปแล้วแล้วหาเหตุผลไม่ได้ต้องอาศัยศรัทธาอย่างเดียวยังมีอยู่คนหนึ่งเป็นลูกครึ่งชาวโปรตุเกสนะ เ, เขาเคยมาที่นี่หลายสิบปีละนะเขาก็เาเคยเป็นเป็นพวกแบบป่าตวงอยู่ที่วาติกันด้วยนะแล้วก็ถูกส่งไป <c oughs> ศึกษาที่เมกาศึกษาศาสนาพุทธแล้วเพื่อให้เข้ามา ที่ประเทศไทยนะเพื่อเพื่อเคลียร์ศาสนาในประเทศไทยอย่างนี้ตอนนี้พอเข้าไปศึกษาพุทธศา ส, สนาอยู่สองปีเขากเา็เริ่มเห็นความมีเหตุผลของศาสนาพุทธแล้วเขาก็กลับไปถามที่วัติกันนะว่าเอ๊ะเนี่ยทำไมศาสนานี้เป็นอย่างนี้แล้วของเราเป็นอย่างนี้เขาก็เริ่มสงสัยในศาสนาเขาก็ ถามไปลึกไปลึกไปเรื่อยๆพอมันไปสุดแล้วเนี่ยมันสุดที่ต้องศรัทธาเขาก็เลยเลยบอกมันจบตรงนั้นมันหาเหตุผลต่อไม่ได้นะเขาบอกพวกที่นับถือคิดคิดเนี่ยในของเราเนี่ยไม่ไม่ลึกซึ้งเท่าเขาหรอกเขาได้ศึกษามาโดยตรงนะอา่าแล้วก็อาศึกษาทั้งทั้งสองอันแล้วเขาก็คุยเปรียบเทียบได้หมดนะว่ า, าศาสนาเขาเนี่ยงงยังไงศาสนาพุทธเนี่ยยังไงนะ หรือวันนี้เขาคือเขาก็มาสนใจพุทธศาสนานะกลายไปไปมาๆเลยมาสนใจศาสนาพุทธแล้วมาปฏิบัติตามศาสนาพุทธอย่างเงี้ยอ่าอ่าฮะอ่าฮะอ๋อได้ได้ได้ได้อ่าก็ได้ยังยังต่อต่อได้ต่อได้วันนี้ไม่ได้ไปไหนอ่า E ทำไมะฮะฮัลโหล okay. ในเมื่อเรามีเสรีธรรมตรงนี้แล้วมีศาสนาที่ถือว่าโอเคเราเราเชื่อว่าเป็นเป็นจริงที่สุด อ, อย่างที่พระพุทธองค์ตัดมาเนี่ยทรงาาเป็นความเป็นจริงก็พระอารารานว่ามีเอาอย่างนี้ก่อนมีวิธีไหนที่จะมีอะไรที่จะดีไปกว่าการที่เราจะให้มนุษย์โลกทั้งหมดเนี่ยได้รับรู้ศาสนานี้ไหมอืม ศา ส, สนาเคยแผ่ไปสารไปทั่วโลกและการที่ที่มนุษย์ทั้งโลกถ้าได้มารับรู้ข้อมูลนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อาการพ้นทุกข์ของเขาครับความทุกข์เขาจะน้อยลงดังนั้น<ๆ>การที่จะเผยแผ่ไปเนี่ยก็คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่จะเราจะ organize จะเรียกว่ารัฐบาลเพื่อจะมาเผยแร่ตรงนี้โดยเฉพาะทีนี้การจะเป็นรัฐบาลครับผมทีนี้การจะเป็นรัฐบาล ที่จะเผยแพร่ตรงนี้โเฉพาะแล้วมีอํานาจทั้งโลกเนี่ยก็ต้องเป็นรัฐบาลส่วนกลางที่มีอํานาจควบคุมทั้งโลกนะฮะดังนั้นก่อนจะมาถึงตรงนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีคนที่มีบารมีพอที่จะยึดด้วยด้วยความสงบเนี่ยอืเราก็ต้องยึดด้วยเลือ ด, ดถูกไหมครับอ๋อไม่ไม่ไม่ต้องเพราะว่าดูลักษณะของที่ผู้เจ้าเนี่ยกระจายศาสนาจนแผ่ไปสารไปทั่วโลกผู้เจ้าไม่เคยต้องไปทําลายลัที่ใด เผยแผ่ไปบอกสอนไปคนมีศรัทธามากขึ้นมากขึ้นบอกต่อมากขึ้นเราก็อยากให้ญาติเราพ้นทุกเราก็บอกเอ๊ะทําอย่างนี้สิพ้นทุกโขไปนอนในลมไม่หมดทุกหรอกไปสะดอกข้ไม่หมดทุกหรอกนี่เธอมาปัิกายวาจาเนี่ยตามอย่างนี้ยอย่าฆ่าสัตว์อย่ารักทรัพย์เนี่ยเธอจะไม่มีความเดือดร้อนใจแค่นี้เธอก็มีความสุขแล้วก็บอกขนทางไปไงนั่งสมาธินะจิตสงบนะคนนั้นทําตามปุ๊บเอ๊ะเริ่มเห็นจริง ยังมีคนคลิสอยู่คนที่ยุธยาเจ้าของลงไม้เขาก็นับถือคลิสอยู่แต่พอมาละวอลองมาดูพูดธสิญาตเข้ามาบอกนั่งสมาธิเขาเกิดปิติเฮ้ยปิติมันมีจริงเนี่ย เ, เขาก็เริ่มสนใจเอ้ยเริ่มอยากนั่งสมาธิเริ่มไ ป, ไปไปมาตอนนี้นับถือพูดไปละเพราะมันพิสูจน์ได้ด้วยตนเองเนี่ยเราขยายศรัทธาอย่างนี้ออกไปออกไปออกไปเรื่อยๆไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรของใครเพราะว่าช้าแต่ชัวร์เหรอครับเพราะว่าถ้าใช่ใช่ช้าแต่ชัวร์เรา มันดู uh huh. ชา้าแต่ชัวร์เนี่ยแต่มันดูเหมือนว่าเามันจะยิ่งเสือเส่อมลงเสื่อมลงถ้าเกิดว่ามันไม่มันไม่เลวแล้วมันไม่กระฉับมันไม่ครั้งเดียวเนี่ยอ๋อไม่หรอกเราป้องกันความเสื่อมได้ไงเพราะว่าเหตุจเจริญเหตุเสื่อมเนี่ยผู้เจ้าก็บัญญัติไว้ว่าเสื่อมเนี่ยจะมียังไงจเจริญจะมียังไงใช่ไหมนั้นเราเดินตามเหตุผู้เจ้าเลยเช่น ว, ว่าผู้เจ้าบอกบทพันธสญญาต้องถูกความหมายถูกอธิบายถูกณนะวันนี้บทพันธสัญายังผิดเลย นั้นเราต้องสร้างบทพั น, นะพระศ า, าสดาให้มากนั้นเวลาสร้างบทพั น, นะพระศาสดามากเนี่ยถามว่าได้รับการต่อต้านจากชาวพุทธไหมไม่เพราะชาวพุทธก็ศรัทธาพระเจ้าอยู่แล้วใครสร้างบทพั น, นะพระศาสดาก็ดีสิสร้างไปไม่ไม่ได้รับการต่อต้านใช่ไหมอย่างที่สองภิกษุต้องเป็นผู้ว่าง่ายอดทนยอมรับฟังคําสั่งสอนโดยครบหนักแน่นอันนี้ก็อาจจะยากหน่อยนะเป็นเรื่องของภิกษุล้ว่าพระบทหมายต้องอดทนนะต้องรับฟังคําสอนนะต้องหนักแน่นนะ ทีนี้มาดูข้อที่สามภิกษุที่คล่องแคล่วในพุทธวจนะเนี่ยต้องขยันถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความนั้นนั้นแก่ชนทั้งหลายเพื่อไม่ขาดผู้เป็นมูลรากสืบทอดกันต่อๆไปาศาสนาจะได้ถ่ายทอดกันรุ่นต่อรุ่นโยมไปบอกน้องน้องไปบอกเลนหลานหล น, ลนทุกคนจะได้ข้อมูลที่ถูกแต่ถ้าโยมไปถ่ายทอดกวดน้ํานะลูกลูกก็ถ่ายทอดในหลานกวดน้ํานะลูกกัลยาณวัตรที่ผิดก็จะถูกถ่ายทอดต่อไปนะ ทุกวันนี้เราพูดสมาธิคณิกาอุปจารปัปนาซึ่งผู้เจ้าไม่เคยตรัสเลยทั้ง3ชื่อนะการยาณวัตตนี้ถูกถ่ายทอดต่อไปเรื่อยแต่วัดปฏิบัติสมาธิที่ผู้เจ้าบัญญัติปฐมฌานทุติยฌานตติฌานจะตติฌานอากาสารนันจานะถึงสัญญาเวทีชาวพุทธไม่รู้จักเห็นนะพอเวลาเราสนใจคําใหม่ปับ๊บคำเก่าจะถูกเพิกถอนโดยอัตโนมัตินั้นนี่คือเหตุปัจจัยของความเสื่อมนั้นถ้าเราต้องการช่วยกันสร้างความเจริญก็คือป้องกันเหตุเสื่อม เราก็ต้องมาแผ่ขยายคนดีนั้นดูเวลา <c oughs> ที่พระเจ้าแนะนําพระเจ้ามหาวิชิตราชว่าเมืองของท่านเนี่ยยังมีเส้นหนามหลักต่ออยู่พระเจ้าให้ไปฆ่าไหมไม่บอกการฆ่าจองจําขังในประเทศลิบซัพย์ไม่หมดคนที่รักเขาญาติเขาอะไรเนี่ยจะเป็นเส้นหนามหลักต่อของแผ่นดินต่อไปวิธีก็คือต้องสร้างคนดีขึ้นมาสร้างคนดีสร้างคนดีสร้างคนดีขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหม ก็เลยพราหมุโรหิตคนนั้นเนี่ยซึ่งพระเจ้าบอกเป็นพระชาติเก่าของพระเจ้าการที่พระเจ้าเล่ามาเนี่ยต้องมีนัยยะสำคัญถึงเอามาพูดนะก็เลยบอกพราหมุโรหิตคนนั้นก็แนะนําพระเจ้ามหาวิจิตาลาศว่าข้าราชการเนี่ยที่ขยันในการงานพระ อ, องค์ต้องให้เบี้ยเลี้ยงเงินเดือนเพิ่มขึ้นอืสนับสนุนคนดีคนขยันใช่ไหมพ่อค้าวานิช ท, ที่ขยันขันแข็งในการทํางานไม่ใช่ขี้เกียจนะเอาคนขยันนะ พระราชทานทรัพให้เขาอุดหนุนการทํางานของเขาการค้าขายของเขาเกษตรกรโคลักกรรมนะผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายที่ขยันขันแข็งคงต้องพระราชทานมเมล็ดพันธุ์พืชนะข้าวกลา้านะอะไรให้เขาสนับสนุนคนดีพวกนี้จะโตขึ้นโตขึ้นพวกนี้จะเป็นกําลังให้พระองค์เสี้ยนน้าหลักต่อของวงจะค่อยๆหมดไปหมดไปโดยธรรมไม่ต้องใช้อาจาย์อย่างนี้เนี่ยเห็นนะนั้นถ้าผู้ปกครองของเราเนี่ย ใช้หลักการปกคลองในลักษณะแบบเนี้ยนะขยายคนดีขยายคนดีไปเรื่อยๆมันก็จบง่ายใช่ไหมทีนี้ออ <c oughs> ขอสามข้อนะครับ <c oughs> ทีนี้หนึ่งหนึ่งคือผมว่าเรับทัตทีพัชร์พูดมาก็เนี้ยเข้าใจน ะ, ะว่ามันไม่ต้องการฆ่ากันไม่ต้องแต่ว่ามันก็มีความอนิจจง <c oughs> ขอ้ขอที่ <c oughs> หนึ่งว่า <c oughs> เราเป็นอย่างนี้เราสอนลูกหลานอย่างนี้เราเห็นตัวอย่างเยอะแยะมากมายนะครับ <c oughs> ว่าลูกห ล, กลานเนี่ยไม่ก็ไม่เอาใช่ใช่อพอ ความใคหรือความอยากได้เข้ามาก็อชัชฉยะส่วนข้อสองคนคนนะครับคนต่างๆโดยเฉพาะคนหมู่มากามักจะวันไหวแล้วก็เหมือนกับเดี๋ยววันนี้ก็เอาคเป็นพวกวันต่อไปก็ไม่เป็นพวกแล้วก็บางทีเราเหมือนกับรีวอร์ดให้รางวัลเขาไปเนี่ยเข<อ>าไม่จำนะฮะ เช่นโดยเฉพาะจะเห็นอย่างยิ่งเลยเนี่ยพวกถ้าเป็นขุนนางเนี่ยกษัตริย์ให้อะไรไปเนี่ยไม่จําหรอกก็ผมเป็นขุนนางอะ่ะอะไรเงี้ยก็จะคิดาานี้ใช่ไหมครับส <c oughs> ่วนข้อที่สามคือเมื่อกี้พระอาจารย์บอกว่าให้ไปให้รางวัลคนนี้ทําดีเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนไหนเป็นคนดีแล้วคนไหนเป็นคนไม่ดีเพราะว่าทุกคนก็จะพยายามลวงโลกไม่ตรงนั้นไม่ได้บอกคนดีคือคนขยันขยันขันแข็งนะขยัน ก, ก, ก็วัดได้ว่าเนี่ย เขาทําปลูกนาข้าวกล้าโอ้คนนี้นะจเจริญ น, นะ ข, ขยันทํางานผลงานเกิดอะผลงานมีผลงานาสนับสนุนคนนี้อให้ผลงานเขาเกิดคนที่ทําผลงานไอคนขี้เกียจยังไม่ต้องให้สนับสนุนมันก็จะเป็นตัวอย่างให้กับคนขี้เกียจ<ม>เขาก็จะมาลุกขึ้นแต่เช้านะอมาทําไร่ทํานามาเพื่อต้องการให้ประราช า, นานสนับสนุนบ้างทุกคนก็จะขวนขวายในกิจการงานก็จะขยันขันแข็งะ่ะ แต่ถ้าไปให้กับคนผิดนะทีนี้แหละขี้เกียจกระจายเหมือนกันน ะ, ะทีนี้ถ้าขยานขันแข่งขันขึ้นมาแล้วก็มี เ, เกิดมีปัญญาฉลาดขึ้นมาแล้วก็เห็นความผิดอของพระราชาเห็นความไม่เรื่องของพระราชาขึ้นมาคน ล, มล้มละสมบัตินะครับก็ก็จะกลายเป็นเป็นกบฏก็เป็นเหตุปัจจยัยอันนั้นก็ถือว่าเป็นเหตุปัจจยัยแต่เราต้องสร้างเหตุปัจจัยที่ดีซึ่งอย่างที่บอกก็ก็มีอยู่ที่พระเจ้าบอกว่าคนกระตันยูเนี่ยหายาก หาได้ยากเป็นหนึ่งในรัตนาห้าที่หาได้ยากในโลกโอ้แสดงว่าคนกระตันอยู่จริงๆมีน้อยนะอ่ามีน้อยอ่าอย่างที่โยมบอกเมื่อกี้ว่าเอ้คุณเราเป็นคุณนางแล้วนะถึงให้เราก็เฉยๆคือเหมือนนอนมาละไม่สนใจละว่าจะควรจะกระตันอยู่หรือตอบแทนอะไรยังไงอย่างเนี้ยทีนี้ที่ถามคือว่าผมผมไม่เชื่อในการปกครองที่เป็นเป็นธรรมอะครับเชื่อว่าจะต้องอืม จะต้องมีอาชญาเข้ามาแต่อาชญาเนี่ยเป็นวิธีเป้าหมายคื อ, อ, อ, ค, อความสงบสุขความอย่างรู้ความมีปัญญาของประชาชนแต่ว่าวิธีการเนี่ยคิดว่ามันไม่เอฟเฟกตีฟถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นอาชญาเพราะจะทำยังไงครับก็เพราะเราอาตมาก็เคยคิดอย่างนั้นนะว่ามันเป็นไปได้ยังไงแต่เรามาคิดสวนทางอีกทีหนึ่งว่าเราเกิดมายุคที่ต้องใช้การฆ่าจองจําขังในประเทศพวกนี้เราเลยมองไม่ออกไงว่า มุมที่เป็นความดีอย่างเดียวเนี่ยมันมีเหมือนกันนะนั้นเรามาดูอย่างอย่างว่ า, าจริงจริงแล้วเคยเคยเห็นคนทำงานที่ที่เขาให้ให้กับลูกน้องมากนะให้ให้ให้มากเลยสมมติว่าสหน่วยงานเลี้ยงกันหน่วยงานเนี่ยให้กับลูกน้องมากทุกอย่างเสียสละอย่างเนี้ยก็ ทุกคนจะคล้ายๆว่าอยากจะได้เป็นแบบนี้มั่งอย่างเนี้ยนั้นมันจะมีมันจะไหลไหลาตามไปไงไหลาตามไปในสิ่งที่ดีนั้นสิ่งที่ดีเนี่ยมันต้องต้องเกิดเกิดขึ้นมาก่อนแล้วมันจะมีตัวอย่างของความดีเนี่ยที่ให้คนทาตามเดินตามทําตามเดินตามแต่ว่าผม ด้วยงานนะครับเพราใจมันบางทีมันไม่รู้นะในความคิดเห็นผมมันเล็กครับแล้วมันก็เป็นบริษัทถ้าถ้าเราลองเปรียบเทียบประเทศใช่ใชอย่างสมมติเอาเปรียบเทียบญี่ปุ่นกับไทยแล้วกันครับไทยเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไม่โทษไม่ค่อยประหารกันไม่ค่อยอะไรอย่างงี้ยเไทยจะเป็นธรรมมากใช่ไหมฮะญี่ปุ่นเนี่ยก่อนแทบจะไม่มีกฎหมายอะไรเลยนอกจากกฎหมายประหารอย่างเดียวโทษผิดก็คือประหาร มีต่างกันก็คือประหารประหารแล้เอาศบให้หมากินประหารเราไปฝังฝังให้เป็นทั้งตายทลมานจนตายนี่คือความต่างก็เสร็จแล้วคนเนี่ยก็ถูกล้างสมองให้เป็นสมุไรคนแล้วก็แบ่งเป็นวันณะเหมือนกับอินเดียอืเพียงแต่ไม่ไม่มีพามคนชนวันนะบนก็คือเป็นชติยาเป็นสมุไรอแล้วก็เสงครามทีก็อย่างอย่างที่เห็นกันก็ขมิคาเซ่บันทายช้าอะไรพวกแาบอย่างเงี้ยครับก็ เห็นว่าประเทศเขาเจริญเร็วเจริญเร็วนะครับอทีนี้อย่างพอยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมใช่ไหมครับพอฝรั่งเข้าไปปุ๊บเขาสามารถในสี่สิบปีครับตอนนั้นประเทศเขาสงครามการเมืองแล้วสี่สิปีให้หลังเนี่ยเขาสามารถโผล่ขึ้นมาในสงครามแล้วเป็นมหาอำนาจได้อืทีนี้อือยากถามว่าเชื่อว่าความเจริญในวัตถุอย่างเงี้ยครับอืถ้าเกิดว่ากษัตริย์ ใช้ใช้สิ่งที่ถูกทําสิ่งทำในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยความเจริญในทางวทางด้านวัตถุที่เขาใช้เลือดไปไปหามาได้เนี่ยมันย่อมจะพลิกมาเป็นความเจริญทางด้านปัญญาได้อย่างง่ายได้เพราะถ้าเขาล้างสมองให้คนเป็นสมูไรได้เขาล้างสมองให้คนเป็นคนพุดได้แน่นอนอครับผมพระาอาจรคิดยังไงครับมันก็มันเป็นระยะสั้นที่เป็นประสบการณ์ที่ที่มนุษย์ในช่วงชีวิตเราเห็นไงแต่ผู้เจ้าเนี่ยคือสัพพัญญูที่ มองมองช่วงชีวิตเนี่ยไกลอย่างไม่มีประมาณเหมือนกับ น, นักวิทยาศาสตร์จะเห็นว่าโลกเนี่ยวิฒน า, าการอย่างนี้แต่มันสั้นมากอย่างสมัยเด็กๆ เ, เราก็จะเรียนาดาวฤกษ์เนี่ยอยู่คงที่เคลื่อนไหวไม่ได้แต่จริงๆแล้วดาวฤกษ์ก็เคลื่อนได้และทั้งระบบกลซีเนี่ยเคลื่อนหมดอย่างเนี้ยซึ่งพระเจ้าเนี่ยเห็นมานานแล้วอย่างเนี้ยนั้นวิทยาศาสตร์ในมันเห็นสั้นระยะสั้นนิดเดียวเนี่ยให้ศึกษาไปขนาดไหนเอาให้ จะรวดเร็วเท่าแสงนะก็ยังต้องใช้เวลาเดินทางเป็นล้า น, ล, านล้านปีแสงกว่าจะไปถึงเกิดตายกี่รอบก็ไม่รู้แต่พู้เจ้าเหยียดแขนคูขแขนถึงแล้วคือเห็นหมดอธิบายไปหมดอย่างเนี้ยมันอธิบายทะลุหมดทุกเรื่องแล้วไงทีนี้ขอโทษนะครับพระอาจารย์ก็เนี่ยครับบางทีผมก็จะเกิดความสงสัยในพศาสนาขึ้น ม, มามเพราะว่าพอมไม่ตดศาสนาพูดเองะอะพอสุดท้ายแล้ว พออย่างที่พระอาจารย์พูดมาก็เป็นความเชื่อในพระพุทธองค์อไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่อ๋อไม่ใช่อย่างนี้เราต้องตรวจสอบเราต้องตรวจสอบในส่วนที่เราตรวจสอบได้ก่อนเช่นปฏิจจสุบานบเหมือนเราเหมือนไอสไตน์เนี่ยทฤษฎีเว็บบานเลยใช่ไหมครับเพราะนั้นยังมีทฤษฎีอีกมากมายที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยตามรู้ไม่ได้นะรู้ไม่ทันไอสไตน์แต่ เรามาตรวจสอบทฤษฎีไอสไตน์บางทฤษฎีเฮ้ยแล้วมันได้จริงเป็นจริงใช่ไหมเราจะเริ่มมีศรัทธาในทฤษฎีอื่นของมันต่อเฮ้ย<อ>มันอาจจะจริงจะบอกว่าไม่จริงไม่ได้นั้นเมื่อเรามาตรวจสอบปฏิจจ์เฮ้ยภาษากระทบรับเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดวัทานเฮ้ยมันตรงจริงหมดเลยนี่มนุษย์เมื่อสองพันกว่าปีก็มีอาการจิตอย่างนี้นะผ่านมาสองพันกว่าปีจิตมนุษย์ก็ยังมีเหมือนเดิมผู้ใจบอกวิญญาณบนอยู่ในขันทั้งสีเอ๊ะเรานั่งก็เหมือนกันเลย อย่างเนี้ยทุกคนตรวจได้และการเวลาผ่านมาไม่ได้ทําให้ธรรมชาตินี้ถูกเปลี่ยนไปเลยเพราะนั้นที่พระเจ้าบอกอาการเลโกโอ๋อมันจริงอย่างนี้เองเริ่มใช่ละใช่ไหมอ่าอิสลามมีไหมมีอาตมาไปบรรยายให้สามศาสนาตัวแทนพุทธคิดอิสลามอาตมาตัวแทนพุทธตัวแทนอิสลามตัวแทนคิดมาคุยกันที่ไบเทคบางนาอาจาจะไปคุยอะไรอาตมาต้องคุยปฏิจจ์เพราะเป็นธรรมชาติที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ อิสลามฟังแล้วโอ้โหชอบมากเลยบอกทีวีอิสลามเนี่ยเอาไปออกทั่วโลกเลยนะธรรมะนี้ชอบมากอิสลามยังชอบเลยเพราะว่ามันจริงตามนั้นเพราะอิสลามก็มีตาตากระทบรูปอิสลามก็เคยเดินห้างเกิดพอใจเกิดความอยากเกิดความยึดเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นธรรมะนี้ปัจจตังรู้เฉพาะตนได้อย่างผู้เจ้าบอกเป็นสิกีภูโตเป็นพยานในตนเองได้เป็นอากาลิโกเป๊ะหมดเลยนั้นธรรมะอื่นที่เราแบบเอ้ยยังรู้ไม่ถึงรู้ไม่ทัน เราก็จะเริ่มมีศรัทธาเพิ่มขึ้นมาอ๋อผู้เจ้าไม่พูดมั่วละผู้เจ้าพูดประกอบด้วยเหตุผลนั้นในเนื้อร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยผู้เจ้าพูดสิ่งที่ตรวจได้ประกอบด้วยเหตุผลเนี่ยสมมติว่าสักแปดสปอร์เซอีกยี่สเปอร์นเนี่ยเราจะเริ่มศรัทธาผู้เจ้าละถึงแม้เราจะยังรู้ตาไม่ได้เราก็คิดว่าให้ท่านไม่มั่วอย่างเนี้ยอ่าเป็นอย่างนี้เข้าใจนะเคยเคยเคยคิดอย่างโยมเหมือนกันก็อาตมาก็ไล่ไล่วิเคราะห์ไปอย่างนี้นะ อ๋ออ่อแต่ดีต้องต้องให้เขาคิดอย่างนี้เพราะธรรมะพระศาสดาเนี่ยมันทนต่อการเพ่งพิสูจน์อ่าอาตมาถึงบอกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องคล่องในธรรมะศาสนาไงถึงจะตอบตอบให้ลูกได้แล้วลูกก็จะมีศรัทธาขึ้นมาเข้าใจว่าโอ้ความลึกซึ้งมันเป็นอย่างนี้มันโยงใยกันอย่างนี้อย่างเนี้ยสองพันห้ายอ่าอ่าฮะอ่า ใช่อ่าอก็ต้องอธิบายเขาเข้าใจอ่าก็อย่างเงี้ยอย่างวัรุ่นเนี่ยเขาเข้าใจอ่าอืมอืมทำไมเราต้องเชื่อทุกคำพูดของลูกจ้างอ่าอ่าอันนี้เป็นความความใส่ของมนุษย์อ่าก็ก็ดีแต่ความใช่อ่าอ่าความความเชื่อความศรัทธาในครั้งกุศกาลเนี่ยมันเกิดมาจากการที่ว่าได้โตขึ้นก่อนนะ ได้โต้หรือได้แก้ปัญหาทุกของเขาก่อนเนี่ยจนก็เกิดศรัทธาว่าอ๋อใช่มันจริงตามนั้นเขาถึงจะมีศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวนะไม่ไม่ใช่ว่าถูกพ่อบอกให้เชื่อแม่บอกให้เชื่อแต่เขาไปเจอผู้เจ้ามาแล้วอย่างพารัตวาชาเนี่ยเขาจะด่าว่ากลุ่มผู้เจ้าตลอดไอ้พวกสมณนหัวโล้นเที่ยวถือกระเบื้องขอทานพวกนี้จะมีปัญญาอะไรอ่าก็เกิดการโต้ว่าทากันเลยเลยพอโต้ไปโต้ม า, มาปุ๊บเอ้ยโอ้โหไม่ธรรมดาใช่ไหม ปั๊บเนี่ยพระรัตวาชาก็จะมีศรัทธาเริ่มใสในพระศาสดานี่ศรัทธามันเกิดตรงนี้หรือว่า <c oughs> พวกอะไรอะปริพาชคอื่นที่เที่ยวล้มวาท่าคนอื่นใช่ไหมก็มาเจอพระเจ้าเขาบอกวาท่ของเขาเนี่ยขนาดเสาหินที่ไม่มีชีวิตยังต้องสั่นระรลลัวอย่างเงี้ยใช่ไหมม า, มาเจอพระเจ้าเป็นไง <c oughs> โอ้โหโตวาท่กันนะอ่ะเงือต้องยดใครโต้วาท่าเขาเนี่ยแต่พอโต้วาท่ปั๊บกับพระเจ้าเนี่ย เขาตอบไม่ได้ผู้เจ้าบอกเลยเนี่ยเหงื่อเราไม่มีสักหยดนะแต่เหงื่อท่านเนี่ยเริ่มหยดลย้ว <c> ะ <oughs> <c oughs> <iana> โอ้นะน่าดูเหมือนกันสนุกสนุกสนุกศึกษาเรื่องเนี่ยแล้วแล้วมันเป็นเหตุเป็นผลไงอย่างพรามณคนนึงมาบอกว่าเออสิ่งทั้งปวงเนี่ยไม่ควรกับเขาเลยผู้เจ้าก็ถ้า ง, งั้นความเห็นนี้ก็ไม่ควรกับพรามเหมือนกันเพราะหนึ่งก็เป็นหนึ่งในสิ่งทั้งปวงเหมือนกันอย่างเนี้ย ตามงงนะนะเออใช่เว้ยอ่ามันเป็นเหตุเป็นผลเป็นแง่มุมที่เขามองไม่เห็นไงอ่ามันแง่มุมง่ายๆอย่างเนี้ยก็ต้องให้เด็กให้ให้อย่างเี้ยไปูอ่าฮอาใชใช่อ่าจะไม่เชื่ออย่างีที่หคนที่าเป็นไปเป็นอย่างนั้นจริงอ่าฮะอย่างเงี้ยอย่างลน้องน้าบุญมาเช้าใช่มเจ็ดขวบอย่างเนี้ย ก็ท่องพสูตรได้ละอ่าอย่างนี้นะนะเจ็ดครวัวแปดครวัวตอนนี้เนะได้ละเยาวชนยี่สิบสาสิบคนแล้วนะท่องพสูตรเนี่ยคล่องนะอ่าแล้วก็ซักถามกันในพุทธวจนะอย่างเนี้ยอ่าพวกนี้ก็จะเป็นกําลังต่อไปจะเข้าใจพวกนี้จะเริ่มแตกฉานในธรรมชาติไปเรื่อยๆแต่อาจารย์ผสมที่จะพูดที่จะตอบในหลักฐานเให้แบบว่าเข้าใจแล้วก็รู้สึก ก็ไม่ไม่เยอะอ่ามันก็ลมาลของคอพระพุทธศาสนาก็ต้องสร้างไงเพราะว่าพระศาสนาเองก็ต้องสร้างค่ะด้วยาไม่งานเนี่ยศาสนทก็คือทุกคนที่เป็นเป็นศาสนก็ไม่ได้มีโอกาส่จึงเราจะเป็นจุดเล็กๆจุดจุดยอยๆของของของพุทธศาสนาทีจะอืเ็นว่า ไม่พุทศาสนาเสื่อมคือไม่ใช่เสื่มนะพุทธศาสนาไม่มีวันเสื่อมแต่ทาให้แบบว่ามีอย่างอื่นมากับคนอืมอืม่เห็จะต้องต้องต่อสู่อก็เราค่อยๆสร้างสร้างคนดีเพิ่มขึ้นคนเข้าใจมากขึ้นให้มากขึ้นใช่ใช่ใช่อาจารย์าะเรียนถามอาจารย์เรื่องมหาพุทธพูดสี่อ่าฮะได้อ่านแล้วก็นําไปพี่นักไทควรดู เรื่ดินน้ำดินน้ำลมไฟนี่พุทธเจ้าก็ตัดไปว่าผู้ที่ไม่ได้สับธรรมหรือไม่ได้ความสุตตะหรือไม่ได้รวบรวมสุตตะคือไม่เคยได้ยินมาก่อนเนี่ยอก็คือคนดินน้ําลมไฟนั่นเองก็รู้แค่นั้นก็ถึงก็พูดไว้เลยหลายอย่างว่าถึงจะรู้สึกก็รู้สึกแค่ดินน้ําลมไฟออืจะรู้ก็รู้แค่ดินน้ําลมไฟอืไม่รู้ไปมากกว่านั้นะผมเองก็อ่านดูข้อพิจารณาว่า ท่านพุทธาท่านแปลหนักไปเปล่าออืแต่ผมมีความเข้าใจว่าขณะพิจารณาไปคือท่าจากไดเป็นปัตวีก็คือเป็นส่วนที่หยาบส่วนที่เป็นอาโปคือส่วนที่เป็นเปียกชุ่มส่วนที่เป็นเตโชก็คือส่วนที่เผาไหม้ได้ส่วนที่เป็นวายโญคือส่วนที่เคลื่อนไหวไัว้ที่พระพุทธเจ้าสันต์ไว้ว่าถ้าไม่สดับก็รู้แค่นั้นะหรือไม่เคยศึกษา ม, มาก็รู้แค่นั้น ผมก็คิดแล้วไดควรดูว่า อ, อ๋อท่านคงหมายความว่าท้าไม่มีไม่เคยมีได้รับคําสั่งสอนเลยก็คุรู้ว่าดินก็คือดินอืมน้ําก็คือน้ําไฟก็คือไฟลม ก, ก็คือลมเท่านั้นอืในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นส่วนนั้นคือถ่วนถูกเพียงส่วนเทียวเท่านั้นอืจริงๆแล้วก็กว้างกวางไปกว่านั้นอืผมก็เข้าใจว่าท่านหมายความว่าุคนนั้นไม่รู้เรื่องในตัวเองเลยอืไม่ทราบผมเข้าใจถูกไหใช่ใช่ ใช่เขาไม่ได้ศึกษาตัวเองรู้แต่ดินแั่น้ำลมไฟอย่างเียไม่รู้ว่าปัตวีคืออะไรบ้างใช่ไม่รู้จักไม่รู้ตัวใช่ไหมพี่ใช่ใช่ไม่รู้ตัวเราเองว่าเราเนี่ยใช่โยงมาไม่เป็นโยงเข้ามาตัวเราไม่เป็นที่ผมที่นาดูว่าคําที่พระเจ้าสอนรู้สึกว่าเหมือนกับท่านว่าแรงอืมแรงมากแรงมากว่าก็คือโง่ในเอง โง่ไม่รู้เลยเลยไม่ทำผมก็จะดูใช่มันก็เรื่องจริงอยู่อือฮะอ่าฮะ งาปล่อยราิาะบอกว่าจะทไปทไมเราก็ปล่อยตัวเราก็พูดกับนอ่าก็ธรรมชาติทเที่ยวสนุกสนานเงินใช้เงินอ mm. uh ่า huh. ก uh ็ตายไปไรมากอ่าอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวก็ตาย้กับคนแบบเนี้ยเราวิธีพูดประโยชน์เอืม คือคือถ้ามันมันปุ๊บตายไปมันก็มันก็อย่างเขาว่านะแต่คนเรามันเลือกไม่ได้บางคนมันทรมานก่อนตายก็ไม่จำเป็นเอาชาตินี้เอาเอาเอ า, เอาแค่ชาตินี้ใช่ไมเหมือนกับคำในนี้เนี่ยพระเจ้าก็บอกเอออนาคตวางไว้ก่อนอดีตวางไว้ก่อนเอาปัจจุบันนี้แล้วกันว่าเธอมีความทุกข์เนี่ยเพราะเหตุอะไรใช่ไหมอ่านั้นถ้าอะไรจะประกันว่าเขาจะไม่พิการ ใช่มเนี่ยแค่นี้ก็แย่แล้วแค่นอนป่วยเป็นปีๆอย่างเนี้ยใช่มะมมันยากเหมือนกันนะอันนี้คนก็เป็นม้าอาชานายประเภท ท, ท้ายๆไงน ะ, <c oughs> นะเออปาตากต้องถึงกระดูกก่อนก็คือตัวเองเนี่ยต้องได้รับทุกเจียนตายเองนั่นเพราะได้รับทุกเจียนตายปุ๊บเนี่ยเอาละปฏิบัติธรรมกันตั้งนั้น น, ะน่ะ <c oughs> <c oughs> อืมใช่ใช่ก็เลยเลยยังไม่ไม่เห็นธรรมยังเพลินซึ่งก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะเพลินต่อรูกเสียงขินรดอย่างเนี้ยนะฮะตามลำดับอยู่แล้ว อ้าวไม่อ่ะอ่าอ่ามันมันเป็นลำดับในการละนะแต่จะไปอย่างรวดเร็วก็ได้หรือไปอย่างช้าๆทีละขั้นหรือว่าสามขั้นแล้วก็แช่นี้จนตายขั้นละใช่ใ ช, ใช่ก็คือมันมันละสิ ข, ข้ออย่างรวดเร็วกัอย่างเนี้ยอ่าใช่ อ่าบ่ายครึ่งแล้วนั่งนั่งสมาธิก่อนเลิกไหมมีเพิ่มมหมยังไม่มีน ะ, ะเดี๋ยวนั่งสักพักหนึ่ง <c oughs> ทำความรู้อยู่กับลมหายใจของเรา <c oughs> ก่อนออกจากสมาธิก็นั่งแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลาย จานั้่อยๆออกจากสมาธิมาน ะ, ะก็ขออนุมโมทนากับทุกคนที่ได้มาตั้งใจรักษาศีลไหวยทานประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในธรรมะของพระตถาโคตกันทุกๆคนมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตที่สุดก็ได้ดวงตาเห็นธรรมสําสเร็จมรรคผลนิพพานในนาคตการันต์ใกล้โดยเท่าหนา้ากันทุกท่านทุกคนเทือน